ตอนตามเหตุตามปัจจัยวันที่27ธันวาคม 2,558 ราบกาบนเมส ก, การพระคุณเจ้าสา ม, มเณรคุณไม่ชีกัลยยมิตรทุกคนนะก็นั่งสบายๆเนาะทุกคืนวันอาทิตย์นะก็พระกูใช้เวลาปูดจาป่าศัยนะก็อีก 4วันนะแล้วก็ข้ามปีสี่วันวันที่หก็คือวันที่หนึ่งก็เป็นวันปีใหม่นะแล้วก็ประกาศเป็นอะไรนะสังคมเศรษฐกิจอาเซียนเมื่อกี้พ่อครูก่อนจะมาก็ดูข่าวเขาสัมภาษณ์ ผู้บริหารครูปกากใต้ชาวอิสลามเขาบอกแรกๆหกเดือนแรกนั้นรู้สึกกระตือรือร้นทุกโรงเรียนมีทงอาเซียนฝึกเตรียมอาเซียนแต่ช่วงหลังนี้เนี่ยเงียบไปหมดเลยในขณะที่เป็นเรื่องใหญ่มากๆอีกห้าวัน เราจะเปลี่ยนครั้งใหญ่แต่เราไม่มีการเตรียมอะไรเลยนะพระครูเคยพูดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าอาทิตย์ก่อนมีญาติธรรมมาจากหลวงพะบางสตีสองท่านคนพี่สาวเนี่ยทำงานอยู่ลัสเวกัสอยู่ที่อเมริกาเขาฟังยูทูปพระครูสามปีแล้วเขาก็พาน้องสาวเขาที่หลวงพะบางซึ่งมีอาชีพเปิดร้านเสริมสวยมาปฏิบัต พวกครูก็บอกเขาว่าพวกครูเคยไปหลวงมาบางหลายปีก่อนเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเงียบสงบเป็นมรดกโลกเขาบอกว่าตอนนี้ไม่เหมือนเก่าแล้วผับบาร์เต็มไปหมดแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกเขาอยู่ไม่ได้ละพวกครูบอกทําไมก็คนไปเที่ยวเยอะเศรษฐกิจก็ดีไงนะน่าจะมีรายได้เพิ่มร้านเสริมสวยอยู่ไม่ได้ โรงเรียนด่านเม่นพึ่งปีที่แล้วพ่อครูเล่งเปิดสหกิจศึกษาให้เด็กๆนี่มีโอกาสไปศึกษาทักษะชีวิตคือคิดเป็นพูดเป็นทำเป็นต้องทําเป็นไม่ใช่ไปท่องจาเฉยๆแล้วมีร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านตัดผมชายมีธนาคารโรงเรียนมีร้านค้ามีร้านศินละปะ ผมคูคิดว่าเป็นอาชีพที่ที่มั่นคงไม่ต้องเสี่ยงเยอะลงทุนทั้งเดียวเปิดร้านก็เอาความสามารถเราเนี่เป็นช่างตัดผมสร้างเสริมสวยเนี่ยมันมีต้นทุนอะไรเลยแล้วทาไมมันอยู่ไม่ได้เขาบอกว่าจีนก็มาเปิดเวียดนามก็มาเปิดแล้วเขาเก่งกว่าเราร้านเขาสวยกว่าเราแล้วพอคนมาเที่ยวเยอะเนี่ค่าของชีพมันสูงขึ้น ค่าเช่าร้านเขาแพงขึ้ น, นแล้วพวกเราเตรียมอะไรบ้างอันนี้คือหนึ่งนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นรอบตัวเราอีกแค่ห้าวันในขณะที่ประเทศอื่นเขาเตรียมผู้บริหารครูที่ปากใต้เนี่ยเขามีเด็กนักเรียนในสังกัดเขาคือเขาเป็นกลุ่มอิสลามโรงเรียนเ อ, เอกชน ประมาณสี่ห้าแสนคนแต่เขาบอกคนภาคใต้สามสี่จังหวัดนั้นกลับได้เปรียบเพราะเขาพูดภาษามาลายูและอาเซียนเนี่ยคนที่พูดภาษามาลายูเนี่ยเกือบสามร้อยล้านคนเกินครึ่งแล้วเขาบอกว่าเด็กไทยเนี่ยทำอะไรอยู่ บ้านเมืองทาอะไรอยู่เนาะผู้ใหญ่โมจะทะเลาะ ก, กันอันนี้เล่าให้ฟังว่าพ่อครูวันนี้จะลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด26ปีที่พ่อครูถอยชีวิตมาอยู่ที่นี่นะคำว่ารู้ธรรนี่ไม่ได้ไปว่ารู้บาลีรู้วิชาการเก่งภาษาหรืออะไรนะรู้ทรรมคือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้ความเปลี่ยนแปลงของโลก นะรู้ธรรมะไม่ใช่ไปรู้อ่านหนังสือแล้วไปแสดงธรรมแสดงแต่เรื่องวิชาการความรู้ทางวิชาการไม่ใช่รู้ธรรมเลยรู้ธรรมรู้ความจริงของโลกที่มันกําลังจะเปลี่ยนแปลงนะพ่อครูเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเมื่อ26ปีก่อนก็เริ่มจากนั่งสมาธิเป็นครั้งแรกเวลาเที่ยงคืน ไม่เคยมีประสบการณ์เลยสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกไม่มีศีลศีลถ้าบอกไม่ให้ทำอะไรทำหมดเที่ยวเต่ตามภาษาคนหนุ่มสูบบุหรี่วันหนึ่งสามสี่สองกินเหล้าทุกยี่ห้อตีกอล์ฟยิงนกตกปลาโกหกถือว่าเป็นเทคนิคเราเป็นพ่อคาทีนี้เราถูกหลอกไปสี่สิบปีว่าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุข เราซื่อสัตว์กับคำสอนตัวนี้มากแล้วมันก็รวยจริงๆแต่พ่อคูหาความสุขไม่เจอแม้กระทั่งทุกวันนี้พ่อกูถามใครก็ช่างมาที่ศูนย์พ่อกูว่าช่วยเขียนเขียนวาดรูปตัวความสุขให้พ่อคูดูหน่อยหนึ่งหลายคนก็นั่งอึ้งไม่รู้ไม่รู้มันคือตัวตนอย่างไรมีขีแนขนกี่ขามันแต่งชุดสีอะไรแต่ทุกคนก็สแสวงหาความสุข เรากำลังแสวงหาความสุขแสวงหาสิ่งที่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรเราเข้าใจว่าเด่นเก่งๆหาเงินเยอะเมื่อรวยแล้วเนี่ยนั่นแหละซื้ออะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้จะมีความสุขพ่อครูหลอกไป40ทุกหลอกไป4ี่สิปีก็บุญเก่านั่นแหละนะตอนอยู่เมืองไทยพ่อครูอายุ22ปี พวกครูมีเงินหลายร้อยล้านซื้ออะไรของหน้าก็ซื้อได้บังเอิญว่าตอนนั้นนะ่ะบุญเก่าทำให้พวกครูมีโอกาสอยากทำอะไรก็ทำเที่ยวบาวันหนึ่งสองแสนกว่าบาทใครเชื่อไหมแจกเงินสบ้าบนซื้อรถทุกยี่ห้อ มันเปิดโอกาสให้พระครูทำมาจัดสรรให้พระกูได้มีโอกาสทำทุกอย่างและไปอยู่อเมริกาก็ได้ทุกอย่างอีกแต่พระครูหาความสุขไม่เจอคือนั้นสามชั่วโมงเปลี่ยนชีวิตพระครูจะไม่พูดว่าเออรายละเอียดมันเป็นครั้งแรกที่นั่งสมาธิแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายก็เปลี่ยนชีวิต ไม่ลังเลสงสัยไม่อะไรวินาทีนมันเกิดอาการระเบิดอะไรโอเคจบก็คือว่าหยุดชีวิตทันทีนะเคี่ยงานเคียอะไรที่อะไรแนะแบ่งให้คนอื่นทำแล้วก็นั่งอยู่บ้านเฉยๆเสพอารมณ์สุขนั้นเป็นเวลาหนึ่งปีคำว่าเสพสุขไม่ใช่ว่าเออมันอร่อยมันสนุกสนานไม่ใช่ ที่มันสุขเพราะมันไม่มีอะไรเลยไม่มีความทุกข์ร้อนแม้แต่หนึ่งอย่างไม่มีความกังวลอะไรเลยนะเขาเรียกว่าเป็นสุขอย่างยิ่งเมื่อเราเจอแล้วยังอยากจะไปแสวงหาอะไรเลยแล้วทาไมต้องรอหนึ่งปีวินาทีนั้นอายุ4ี่สิบพอดีน้องขีลูกสาวคนโตขวบหนึ่งพาอครูก็สามชั่วโมงพ่อครูเห็นการทางานของร่างกายเราหมดแต่ก็บุญอีกเยอะมากที่ไม่รู้ภาษ า, าศาสนา ถ้ารู้มันคงทำไปด้วยวิจัยไปด้วยอันนี้อะไรเลยวะแล้วคงไม่เห็นทั้งหมดเนื่องจากเราไม่รู้ภาษาเนเราเห็นกระบวนการทำงานมันหมดเลยนะเหมือนพ่อครูบอกแล้วเหมือนเราดูภาพยนตร์เนี่ยถ้าเรานั่งดูเฉยๆเราจะเห็นมันหมดเลยเห็นเนื้อเรื่องทั้งหมดแต่ถ้าเราไปพุ่งไปพิจารณาไปเพ่งดูตัวแสดงใดตัวแสดงหนึ่ง เราจะเห็นคนเดียวเราจะพลาดโอกาสในการเห็นทั้งหมดพระครูก็พาแม่ขี่เขาปฏิบัติเขาก็เวียงวันที่สองเขาอาเจียนอาเจียนอาเจียนตอนนั้นพระครูก็ไม่รู้ก็ลักษณะคนแพ้ทองก็ไปหาหมอก็ตั้งท้องเดือนหนึ่งจริงๆน้องดอนถ้าน้องดอนมาใช้เดือนหนึ่งก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับเราล่ะนั่นแหละพระครูถึงรอหนึ่งปีน้องดอนคลอดเสร็จปึ๊บ ครบหกเดือนปุ๊บเราก็ย้ายครอบครัว น, นี้จากเมืองนอกไม่ใช่มาอยู่บ้านนอกที่นี่ไม่มีบ้านไม่มีถนนเข้ามาหมู่บ้านใหญ่อยู่ทางโน้นไม่มีสะพานข้า ม, มาเราต้องนั่งเรือข้ามมาที่นี่พ่อครูมาอยู่ป่าสิบอดปีไม่มีไฟฟ้าอยู่แบบสงบเย็น ไม่ต้องพูดถึงเรื่องความสุขเมื่อมันไม่ทุกข์มันก็สุขอยู่แล้วอยู่แบบไหนก็ได้พัฒนาการมันมานะตอนนั้นพวกกูยังมีโอกาสไปเก็บเห็ดกับชาวบ้านเช้ามาปลายเข้าป่าเก็บเห็ดทุกคนเข้าไปได้คน ก, ก, กระตากระต้าออกมาทุกคนได้กินหมดแต่พอเขาเปิดทางเข้ามาในหมู่บ้านปุ๊บ คนอีสานบอกไปเก็บเห็ดแต่หลังจากรถมันเข้ามาไปตลาดได้แล้วเก็บเห็ดเราไปเช้าเมื่อเนอะใครไปก็ได้มาเอาเอาแค่เราพอกินก็พอละแต่ตอนนี้พรไปขายได้ปุ๊บเนี่ยเขาไปตรงกลางดึกเลยนะเอาไฟไปด้วยไปส่องเห็ดเก็บแบบไม่ล้างล้างผ่านเลยละ่ะเพราะมันขายได้ ปัจจุบันนี้เห็ดเกือบจะสูญพัน์หมดตอนนี้ในหมู่บ้านนี้มีสองจุดที่ยังมีเห็ดให้เก็บคือในศูนย์กับในไร่แหลมทอเพรกะกูรักษาไว้ให้เป็นซปเปอร์มาร์เก็ตของชาวบ้านแล้วก็เป็นอาหารทิพย์ซึ่งไม่มีสารเคมีแล้วไม่มีต้นทุนไม่มีกําไรไม่มีขาดทุนไม่มีราคามันมีแต่คุณค่าสาหรับชีวิต ตอนนั้นชุมชนยังบริสุทธิ์นะก็พี่เทวาอยู่หรือเปล่าวันนี้หายตัวนะพี่เทวามาอยู่กับพ่อครูตอนสิบสองปีที่แล้วมาอยู่ที่นี่เป็นปีๆนะไปอยู่ที่กุดเขียวไมจีข้างล่างก็บอกพ่อครูว่าเออที่นี่เหมือนสู่เหมือนสวนสัตว์เดี๋ยวตุกแกมันก็ร้องก็ก็ก็กกแล้วนั้นอั งูเลื้อยไปเลื้อยมาพวกคูถามว่าพี่เทวาเขาชื่อทราวิสเด็กมันนอกเรียกยากมากพวกกูเลยตั้งชื่อเทวาเป็นเทวดาเพราะคนไทยนี่เหอนฝรั่งมากพวกครูก็ประเมินปัญญาของเทวาว่าเขาจะมีปัญญาแค่ไหนพ่อกกูบอกพี่เทวา ถ้าวันไหนพี่เทวาไปจับปลาตัวหนึ่งในเขื่อนใหญ่แค่นี้เน่ยพี่เทวาจะเก็บไว้กินยังไงให้มันนานที่สุดแกนั่งคิดกะกระดีดนิ้วบอกว่าวิธีง่ายที่สุดคือแล่เป็นชิ้นเป็นเนื้อเนื้ อ, เ, อเป็นเป็นก้อนๆแล้วเอาพลาสติกแรปมาแล้วก็ไปแช่แข็งไว้หรือถ้ามีโรงงานทําปลากระป๋องก็ไปทําปลากระป๋องแกบอกกินนานที่สุดพวกคูบอกแค่นั้นเหรอแกบอกแค่นั้น ตอนนั้นน้องคีกับเพื่อนเพื่อนเขาในครูอ้อมเป็นเด็กในชุมชนพ่อครูเปิดกศนอตอนนั้นพ่อครูสอนเองเรื่องวิชาศีลสมาธิปัญญาเพราะพ่อครูไม่ให้เขาไปเรียนในโรงเรียนในระบบเดี๋ยวมันจะง่งพ่อครูว่าพี่อ้อมถ้าพี่อ้อมไปจับปลาตัวหนึ่งในเขื่อนนี่ใหญ่ขนาดนี้พี่อ้อมจะทำอย่างไรให้กินนานที่สุดพี่อ้อมไม่ต้องคิดเลย พรา ก, กูยังจําได้นะทุกคนในสิบกว่าปีก่อนเขาบอกแบ่งเป็นสี่ชิ้นเอาชิ้นที่เนื้อมากที่สุดเนี่ยไปเลี้ยงพระที่วัดเอาชิ้นที่ดีที่สองนี่ไปให้ข้างบ้านเอาชิ้นดีๆีสามมาทำอาหารกินในครอบครัวเอาชิ้นที่ดีที่สี่เนี่ยมาตากแห้งมาทําปาลากินข้ามภพข้ามชาติตายแล้วบุญกุศลเราสร้างยังไปกินต่อ เพราะเขาสร้างอยรยยสัพ์ไวมันไม่ได้แก้ปัญหาเศรษฐกิจอย่างเดียวภูมิปัญญาไทยตรงนี้ตั้งแต่โบราณเขาแก้ปัญหาสังคมชุมชนด้วยฉันให้เธอเธอให้ฉันฉันรักเธอเธอรักฉันฉันเข้าใจเธอเธอเข้าใจฉันฉันช่วยเหลือเธอเธอช่วยเหลือฉันชุมชนในชนบทนี่ไม่มีตำรวจไม่มีทนายไม่มีอายการไม่มีศาล เขาไม่ค่อยมีเรื่องแต่ตอนนี้ชมชนเมืองน่ตำรวจเต็มบ้านเต็มเมืองอายการสารเยอะมากทะเลาะ ก, กันทุกวันเทว่าเขางงทาไมคิดอย่างนี้ได้เพราะคิดแบบทุนนิยมว่าถุนิยมมีแต่ว่าฉันจะได้อะไรฉันจะได้อะไร เขาไม่เคยคิดจะบแบ่งแบ่งปัดนะวิถีไทยเนี่ยมาจากวิถีพุทธวิถีพุทธมาจากวิถีธรรมเป็นภูมิปัญญาตามธรรมชาติชุมชนอบอุ่นแต่หลังจากถนนเข้ามาไฟฟ้าเข้ามาทีนี้เอากิเลสมาด้วยเขาจนอยู่ดีๆ นักวิชาการเรามาสอนให้เขายากจนเพราะระหวังดีกับเขาอย่างนี้ไม่เจริญเจิบโตไม่เก่งไม่ฉลาดมาสอนเขาทำโน่นทำนี่ทำกเกษตรสมัยใหม่ใส่ปุ๋ยเคมีฉีดยาอบอกเขาวิธีกู้เงินธนาคารมาเขาไม่ได้เรียนวิชาหาเงินวิชาบริหารเงินไม่เรียนวิชาค้าขาย เขาก็เลยเป็นเหยื่อจากจนอยู่ดีๆทำไมจนอยู่ดีๆจนไปว่าไม่มีไม่ได้ไปว่าทุกข์รวยไปว่ามีเยอะไม่ได้ไปว่าสุขเขาจนแต่เขาไม่ทุกข์ตื่นเช้ามาเนี่ยพ่อบ้านลงไปในเขือ่อนเพราะเมื่อคืนนี่ไปวางแหวางอวนไว้ก็ไปเอาป่าแม่บ้านก็เข้าป่า ไปหาสมุนไพรตัดหน่อไม้เก็บเห็ดลูกมันไปโรงเรียนตอนเยน็นๆปุ๊บมันก็เอาไฟตอนนี้ไปหาอาหารในป่าไม่มีเงินไม่แต่บาทหนึ่งเขาก็อยู่ได้ความเจริญหลังจากความเจริญเข้ามาตอนนี้ยากจนยากเพราะมันเป็นหนี้แล้วไม่จ่ายก็ไม่ได้ เห็นไหมเขาจนอยู่ดีๆเนี่ยเรามาสอนให้เขายากจนทีนี้พอยากจนแล้วเนี่ยอยู่ในป่ามันจะไปหาเงินจ่ายหนี้ที่ไหนก็ทิ้งครอบครัวเนี่ยไปทำงานกรุงเทพบางทีก็ไปติดวัฒนธรรมบ้าๆบอๆติดวัฒนธนิยมติดเหล้าติดยาเสพติดมาแล้วติดเอดมาด้วย ยิ่งดิ้นก็ยิ่งรัดนี่มากขึ้นก็ไปกู้ใหม่มาใส่ของเก่ากู้ภพพันละวันแบบนี้นะ่ะนั่นคือนักวิชาการมาสอนให้เขาเปลี่ยนจากจนอยู่ดีๆกลายเป็นความยากจนบุบทคนเราไม่เหมือนกันเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักสู้แบบนั้นเขามีบุญเยอะมากที่เกิดมาเป็นเกรรษตรกรจนๆแต่กรรมเขาก็มีมาเกิดยุคนี้ไอ้คนคิดแบบไป ไปติดความรู้วิชาการเอาความคิดตัวเองไปยัดเยียดใ้เขาจนไม่รู้บริบทว่าเขาไม่เหมือนเราตอนนี้เดือดร้อนกันทั่วหน้าที่เราขับรถเข้ามาเราเห็นสองข้างทางป่ายางเลยหมดเนี่ยไม่ใช่ของชาวบ้านที่ดินหลุดมือหมดละไปทำงานกรุงเทพพอเศรษฐกิจไม่ดีปี4ี่ศปีอะไรเนี่ยนะถูกไล่ออกมา ไม่มีแผ่นดินอยู่เพราะครูต้องหาที่ทางเนี่ยแบ่งแบ่ ง, บ, งบ่งให้สร้างบ้านกันแล้วก็สร้างงานในสูนให้เขามีงานทำบางครอบครัวไปแล้วเนี่ยสามีไปทีหนึ่งเมื่อครอบครัวมันห่างเหินกันนะก็นอกใจกันก็อย่าล้างกันปัญหาใหญ่เกิดขึ้นแล้ว หนุ่มสาววิ่งตามเงินคนแก่เลี้ยงหลานที่บ้านนะพราะครูเห็นแล้วแก้งไม่เห็นนะเวลาหยุดแล้วเราหยุดแล้ ว, ลวซึว่าเราหยุดแล้วเราเดินไปเห็นเด็กดือสตีคนหนึ่งตกน้ำนี่ฉันหยุดแล้วฉันไม่ยุ่งใครได้ไหมเอ้ยเดี๋ยวฉันจะไม่สารวมฉันจะเปียกฉันไม่สวยฉันเดินไปอย่างผู้ดีเนะี่ย เราฆ่าสัตว์แล้วบันทึกอยู่แล้วว่าเราไม่ช่วยชีวิตพวกคูก็เลยต้องมาทำกิจกรรมไอ้ศูนย์พลาน่อยขึ้นตอนนี้เด็กอยู่โรงประจํานะนะมีบางคนพ่อแม่ก็ไม่มีปิดเทอมก็ไม่มีกลับบ้านพวกคว่วไอ้เด็กคนนี้เนี่ยบุญมันเยอะมากพ่อไปทางแม่ไปทาง ก็รุ่นต่อรุ่นพวกครูเอามาเลี้ยงจนจบปริญญาตีโทบางคนเกิจบโทรไปเจอแฟนแล้วก็ไปไปเถอะจะไปไหนก็ไปขอให้เป็นคนดีที่ไหนก็ได้ไม่ใช่ว่าส่งเสียเธอเรียนแล้วเธอต้องเซ็นสัญญาเป็นหนี้บุญคุณหรือว่าทุนการศึกษามาจ่ายนี่ไม่ใช่พวกครูการให้ไม่มีเงื่อนไขศาสนาเราสอนการให้ทานเป็นหน้าที่ของเรา เมื่อเขาโตแล้วเขารักชีวิตแบบไหนไปเลยแต่ถ้าใครคิดว่าไม่อยากไปอยู่กับพ่อครูทุกคนเป็นครูหมดมีเงินเดือนเท่ากับราชการก็เลี้ยงดูครอบครัวได้พ่กครูลำดับลำดับให้เห็นนะว่าลกมันเปลี่ยนทีนี้มันแปลกมาก26ปีผ่านไปเนี่ยมันห้าปีห้าปีห้าปีห้าปีมันเปลี่ยนอารมณ์ใหม่ และแปลกมากเป็นห้าปีช่วงห้าปียี่ห้าปีผ่านไปพราะปีที่ทนี่อีกห้าวันก็หมดปีแล้วจะครบ26ปีเต็มพราครูเห็นความเปลี่ยนแปลงของโลกมากมายทะเลาะกันทั้งโลกเนื่องจากเราตั้งโจทย์ทุนนิยมแข่งขันเสรีการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของความแตกแยกเอาละ แข่งขันตโตตอนนั้นมีสงครามเย็นเอาอาวุธแข่งกันฆ่ากันยุคหนึ่งมีล่านานิคมนะคนกลุ่มหนึ่งเชื่อว่าถ้ามีนานิคมเยอะๆเขาจะมั่นคงล่าไปล่ามาผู้ล่าก็ทุกผู้ถูกล่าก็ทุกกอบโกยทรัพยากรเข้าไปแต่ตัวเองก็ทุกความคิดนั้นก็ล่มสลายยุคนึงยุคค้าขายเสรีใครไขค้าค้าใครไขขายขายขายทุกอย่างที่ขวางหน้า เอามนุษย์มาเป็นสินค้าคาถามนุษย์ไม่ใช่สัตว์สิ่งของก็ถูกแรงต้านไอเดียหรือความคิดนั้นก็ล่มสลายยุคที่เรานั่งอยู่ที่นี่ถือว่ายุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองผู้ชนะสงครามตั้งโจทย์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภค หาเงินมาสามสิบวันเหนื่อยยากแสนเข็นขอให้คูใช้เงินได้วันหนึ่งมีความจุกในการใช้เงินวันหนึ่งแล้วก็ไปทุกขอีกสามสิบวันนี่คือบริโภคนิยมและวัตถุแต่ละชิ้นที่เราบริโภคเราใช้เนี่ยพวกคูจำได้ตอนเด็กๆพวกคูอยู่อยู่อำเภอเมืองจังหวัดรุนบลที่บ้านมีโรงสีใหญ่หลายโรง ก, กรมารอนกมกรตอนนั้นเขามีหน้าที่ส่งข้าวไอ้จักรยานคันหนึ่งเขาใส่ข้าวสารกระสอบละร้อยเนี่ยกิโลเนี่ยได้สองกระสอบทุกวันนี้เนี่ยเด็กๆลองดูนะเอาจักรยานเราใส่แทกรสอบหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวร้อมันงอเลยคนทุกวันนี้เขาทามาขายเขาไม่ได้ทํามาใชา้เทคโนโลยีสมัยใหม่ๆต้องให้มันสวยก่อนเร็วกว่าแต่มึงต้องไม่ทน ถ้าทนมันจะขายได้ย่างไมความคิดแบบนี้ไงแล้วล้างผ่านทรัพยากรของโลกขบวนการผลิตมันเนี่ยใช้พลังงานน้ำมันกว่าจะเป็นน้ำมันกี่ล้านปีมันก็เจาะขึ้นมาวันหนึ่งหลายล้านบาเรลก็มาเผาผ่านทิ้งกันไม่มีแม้แต่เพศประเทศไหนประเทศหนึ่งในโลกนี้ซึ่งไม่มีหนี้สินอาชีปล่อยคู่เขานั่นแหละนั่นะละ่ะเป็นทั้งเจ้านี่เป็นทั้งลูกนี่ ประเทศที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยไม่อยากเอ่ยชื่อเขามากเกินไปนะทุกคนก็รู้เศรษฐกิจสังคมการเมืองนี่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นหนี้มากที่สุดในโลกอ่ะแล้วเงินที่เราทําลายทรัพยากรเนี่ยนะเอามาแลกเป็นเงินมันหายไปไหนหมดมันกลายเป็นขยะหมดแล้วตอนนี้ขยะสารพิษขยะเทคโนโลยีเนี่เต็มไปหมด สมัยก่อนพ่อคูค้าคอมพิวเตอร์เนี่ยพอคูขายไปทั่วโลกไอ้พวกแถวยุโรปลูกค้าเราอะไรเนี่ยนะพวกขยะคอมพิวเตอร์อะไรๆพวกนี้เนี่ยมันรีไซเคิลก็ก็ไม่ได้มันเป็นพลาสติกเป็นอะไรเนี่ยนะเป็นเคมีไอ้โรงงานใหญ่ๆบริษัทใหญ่ๆมันก็ขนคอนเทนเนอร์มาส่งไปที่ประเทศลเล็กๆเนี่ยเอาชื่อเข้าไปไปทิ้งอยู่ตรงนั้นเขาคิดว่าเขาจะเอาตัวรอด พอตรงนี้มันเปื้อนทุกวันนี้มันถึงกันหมดอะทั้งโลกไอ้โครคภัยไข้เจ็บไม่เคยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นในยุคเราแล้วนะเดี๋ยวก็โรคซาร์เดียวก็อีโบลาพ่อคูบอกเดี๋ยวอีดําอีแดงมันจะตามมานี่คือฝีมือมนุษย์ผู้เก่งกาจทั้งนั้นโอเคสงครามเย็นเลิกขึ้นเพราะเธอก็เหนื่อยฉันก็เหนื่อยตอนนี้เอาสงครามเศรษฐกิจ ไม่กี่ปีที่ผ่านมาเนี่ยโลกใบนี้เละตุ่มเป๊ะเลยไม่ใช่ขยะล้นโลกนะโน่นบนบรรยากาศนั้นก็ขยะทั้งนั้นแหละขยะเทคโนโลยีดาวเทียมไม่รู้กี่ลูกพอถึงเวลาปุ๊บมันก็เป็นขยะอยู่ข้างบนสารพิษทั้งนั้นโอเคไม่เป็นไรแต่นิสัยแข่งขันมันเกี่ยวเรื่องเศรษฐกิจไงตอนนี้ก็เอานิสัยนั้นนะ่ะ เชื้อตัวนี้มันไปเข้าในสายเลือดทุกคนไปเข้าการเมืองด้วยการเมืองก็ทะเลาะกันทั้งโลกเชื้อนี่ตามมาถึงเมืองไทยตั้งแต่พ่อครูเกิดมาไม่เคยเห็นคนไทยทะเลาะกันแบบนี้เล่นกีฬาสีกันสนุกทิฏิมานะเยอะมากสังคมอย่างนี้จะอยู่ยังไง บางทีน้องขีนะคูคีปุ๊บโดยการคีบอกว่าเขาอยากให้โลกแตกไว้ๆเขาก็เบื่อเหมือนกันถ้าอยู่แบบนี้จะอยู่ไปทำไมเพื่อนสดิทกันพูดภาษาเดียวกันนะก็ต้องมาคิดว่าให้มันพูดอย่างนี้มันแปลว่าอย่างไงมันเกิดสังคมวิตกจริตไม่มีใครเชื่อใครพวกพครูเห็นว่าเด็กถูกทอดทิ้งคนแก่ถูกทอดทิ้ง เราก็ต้องเปิดโรงเรียนเปิดโรงเรียนมาหลายปีก็ทำเท่าที่เราทำได้ไอ้ครูที่เราส่งไปเรียนเก่งไม่เก่งก็ช่างมีงานทำขอให้พี่ดูแลน้องให้มันปลอดภัยมีอยู่มีกินตอนเช้าเรามีรถรับส่งตอนนี้30สบหมู่บ้านในสามตำบลเนี่ยหมู่บ้านที่ไกลที่สุดวิ่งไปเกือบสองชั่วโมงในชั่วโมงกว่า กลับไปอย่างนี้ถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เขาก็ไม่มีโอกาสจริงๆแล้วไม่ต้องมาเรียนอะไรหรอกมีแต่ว่าเอาเข้ามามีข้าวกินแล้วก็ปลอดภัยตอนตะวันเราเอามาล้างเขาปุ๊บกลางคืนมันกลับบ้านมก็เปื้อนอีกก็เลยว่าเมื่อเมื่อทำทำแล้วทําไม่สุดเนี่ยเพราะคูเป็นคนหลอกตัวเองไม่ได้นะก็ปรึกษาคุณไม่ชีบอกว่าช่วยพระครูได้ไหม ไม่ชี้วมีเมตตาบอกเอาเราก็เอาเด็กมาอยู่ประจําเราก็เอาดิ่งข้างพวกนี้มาอยู่กับเราแต่สำหรับพวกคุว่าเป็นเรื่องเป็นความสุขแต่บางคนถ้าอินทรีย์พร ะ, ะไม่แก่ก้าก็ต้องทนทุกข์หน่อยหนึ่งไม่เห็นทุกข์ไม่เห็นธรรมเมืเ่อเรามาเดินสายดีแล้วเราจะไปกลัวทุกข์ทำไมเห็นทุกข์มากๆก็ดีแล้วมันจะได้เห็นความจริงว่า มนุษย์เรามีทุกเป็นประธานอันนี้ลำดับไหมนะโอเคเศรษฐกิจทะเลาะ ก, กันไม่พอการเมืองทะเลาะ ก, กันทั้งโลกกูจะฆ่ามึงมึงจะฆ่ากูการเมืองเมืองไทยก็เป็นแบบนี้ตอนนี้ลามไปถึงศาสนาเศรษฐกิจสังคมก็ทะเลาะ ก, กันเป็นคนละขั้วอย่างชัดเจนซึ่งนิสัยคนไทยจริงๆไม่ใช่อย่างนี้ เรามีวิถีพุทธวิถีศาสนาทุกศาสนาก็สอนให้เราเป็นคนดีมีเมตตาแต่ตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องตอนนี้มันลามถึงสังคมสังคมศ า, าสนาศาสนาก็กำลังทะเลาะ ก, กันอันนี้เมืองไทยนะพุทธเองแย่งชิงอำนาจกันขัดแย้งกัน คณะศาสนาเรายังเป็นแบบนี้เราจะไปช่วยเหลือมนุษยชาติได้ยังไงศาสนาระดับโลกก็กาลังทะเลาะกันอยู่ถ้าเราศึกษาประวัติศาสตร์โลกยุคหนึ่งมันมีสงคารามคูเสดนะแต่มันมีเป้าชัดเจนกลุ่มนี้กับกลุ่มนี้แต่ตอนนี้สงครามศาสนาซึ่งไล่รูปแบบเพราะว่าเขาจะเอาอาวุธสงครามมาสู้กับเธอนี่ยเขาก็รู้แล้วสู้ไม่ได้เรื่องอะไรจะสู้ หลายปีก่อนพ่อครูยังอยู่อุบล น, นะฐานทัพอเมริกันมาตั้งที่อุบล น, นี่ยี่สียี่สีชั่วโมงไม่หยุดเลยนะพ่อครูก็มีเพื่อนเป็นทหารอเมริกันวันไหนที่เขาขึ้นเครื่องจะไปบอมเวียดนามเนี่ยเขาเอาแก้วคว่ำไว้ถ้าตื่นเช้าไม่เห็นมันหงายแสดงว่าเขาตายแล้วเขาไปเทระเบิดเทเทเ ท, ท มัน ไ, ไม่ต้องดูเป้านะมันขนให้มันเทเทเทเทเทปูพรมเลยละ่ะแต่สุดท้ายอเมริกันแพ้สงครามเขาไปอยู่ใต้ดินหมดหลังจากเธอเทเธอเหนื่อยปุ๊บเขาก็มาขโมยค่าทีละลายทีละลายอเมริกาก็ถอนทับอันนั้นมีเป้าชัดเจนนะมีประเทศให้เราบมนะ่มแต่ตอนนี้เนะี่ยเขากระจายไปอยู่ทั่วโลกแล้ว เขาจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้และไอ้ความคิดแบบแข่งสรรเสรีนี่มันเข้าไปสู่ในสายเลือดทั้งหมดเลยคนไทยเราคนในศาสนาเราถูกกืนหมดมองอะไรในแง่ศัตรูมองแบบวิตกจริตกลัวได้เปรียบกลัวเสียเปรียบความเมตตาทำแบบไทยไทยหายไปหมดลวพวกคูอยู่ดีนียี่สปีถ้าไม่บริสุทธิ์ไม่ทําจริงเนี่ยพวกคูอยู่ชายแดนนี้ได้ไหมไม่ คนบางทีมือไม่พายเอาขาลาน้ำเห็นคนอื่นทำดีตัวเองไม่ได้เสียอะไรเลยเนี่ยมันก็พูดทำลายตลอดไมาใช่เพราะคูไม่โดนนะแต่พ่าครูไม่ต้องว่าสักแต่และวันว่าได้ยินนะพวกเรายังต้องสักแต่ว่าได้ยินอยู่ฝึกสักแต่ว่าเห็นพ่อครูได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินเห็นก็เหมือนไม่เห็นไม่ต้องอภัยเขาด้วย เพราะว่าไม่ได้ตัดสินว่าเขาถูกเขาผิดมันก็เป็นกรรมของเขาถ้าพ่อคูไม่เป็นอย่างนี้อยู่ที่นี่ได้ไหมสมัยก่อนเป็นดงคอมมิวนิสต์นะแต่มันมันมันซาใหม่หมดแล้วมันก็กลายเป็นดงสีชมพูพ่อกรูเกิดอยู่บนไม่เคยกล้ามาที่นี่หรอกอ้าวแต่มาอยู่เมืองนอกแล้วทำไมกล้าถอยมาอยู่ที่นี่พ่อคูคิดอย่างไรเหรอบอกพ่อคูไม่ได้คิดถ้าคิดมันไม่กล้ามา มันจะจะคิดตามความรู้ไงมันอันตรายมันจะมาทําไมเบื่อเลิกหาเงินแล้วก็เที่ยวทั่วโลกสิเศรษฐุสุขสิถ้ามันคิดนะแต่มันไม่มีคิดเลยมันรู้ว่าตรงนั้นมันร้อนก็หนีมานี้มาถอยมาถอยมาถอยมาอยู่บ้านกรุงเทพก็หนีเสือป่าจระเข้ถอยไปอยู่บ้านเชียงใหม่ตอนยี่สิบปีก่อนเชียงใหม่ยังอากาศดีบริสุทธิ์นะพ่อครูมีซื้อที่หมู่บ้านริมเวียงใกล้ๆสนามบิน ความเจริญก็เริ่มเครื่งขึ้นไว้ก็ไม่ใช่ละ่ะเพราะกูอยู่ไมอามี่อยู่ฟลอริดานั้นนะผังเมืองเขายังดีมากไม่แออัดคิดว่ามาอยู่บ้านเราคงดีแลยในนี้ยิ่งยิ่งยิ่งวุ่นวายมากก็ย้ายกลับมาอยู่ที่บ้านในเมืองอุบล <c oughs> พวกกูก็เอาน้องขีนี่ไปฝากโรงเรียนอนุบาลอย่างหนึ่งตอนนั้นน้องขีเกือบสาขวบละสองขวบครึ่ง ไม่กี่วันก็มาเล่าให้ฟังว่าคุณครูถามว่าพ่ออาชีพอะไรเพื่อนเขาบอกว่าพ่อเป็นหมอเป็นข้าราชการเป็นครูเป็นพ่อค้าเขาบอกพ่อนั่งหลับตาก็เขาเห็นแค่นั้นไงพ่อครูเอาอีกแล้วบังเอิญมาเจอที่แปลงที่พ่อครูอยู่ทุกวันเอาล่ะไม่อยากเล่าว่าเจอยังไง ไม่ได้คิดอยู่แล้วมันมีเหตุปัจจัยทำให้พระกูมานั่งเรือข้ามาจากฝั่งนวนมามาเหยียบแผ่นดินนี้นี่บอพอเหยียบปุ๊บนี่จิตพระกูบอกใช่ละ <c oughs> เป็นป่านั่นแหละเราก็ย้ายจากในเมืองมาอยู่ที่นี่จากวันนั้นยี่กปีเมื่อเร็วๆนี้มีผู้อ ว, วุโสด็อกเตอร์สองใบามาเยี่ยมเรา มาแลกเปลี่ยนพครูยี่สิบกปีพระครูเจอแบบนี้เยอะมากยี่สิบปีไม่ได้ออกไปไหนนะไม่ต้องไปยุ่งกับใครไม่ต้องอ่านหนังสือสักเล่มพอบอกถึงเวลาจิตบอกถึงเวลาออกไปข้างนอกพระครูเถียงกันเองว่าออกไปทำไมเราพูดเองว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันช่วยไม่ได้ออกไปทำไมเขาบอกว่าทำเพราะทำธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะ ทานศีลภาวนาเป็นหน้าที่แล้วโอเคไม่ต้องถามต่อออกก็ออกก็ไปให้ให้ให้ใ ห, ใ ห, ใหนะยะธิธรรมเขาบอกขอร้องพระครูออกหนังสือสามชั่วโมงโอเ ก, ก็ออกรู้อยู่แล้วว่าสังคมไทยเป็นยังไงออกไปปุ๊บมีทั้งดอกไม้กับก้อนหินมาพร้อมกันได้ไงได้ไงสามชั่วโมงมารู้ทำมีที่ไหนพระพุทธเจ้ายังต้องใช้เวลาหกปีเลยอะไรเนี่ยไปกันใหญ่เลย แต่พ่อกูได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินทั้งความชมเชยหรือคำดา่าเมื่อเราจะให้แล้วไม่ต้องพูดไม่ต้องมีเรื่องมากสองปีก่อนร <c oughs> ับขึ้นได้ว่าไม่ไหวละมันเล่นกีฬาสีไม่เลิกไม่แล้วพอองค์คกรณี้เชิญไปพูดไอ้องกรนั้นก็บอกให้พวกมัน ไม่ใช่ว่าคนอย่างพ่อครูนะไม่ใช่คนอย่างพ่อครูคนอย่างพ่อครูถูกฆ่าทิ้งแล้ะจิตซึ่งเขาเรียกว่าพ่อครูนี่มันเข้าข้างใครได้หรือตอนนั้นที่นี่ญาติธรรมเรามีทุกสีพอสีนี้แห่อยู่ก็โทรมาบอกแก้วทิพย์บอกพ่อครูออกมาช่วยกัน ถ้าไม่ออกมาไม่รักชาติพอสีนี้แห่ก็มาอีกพูดเหมือนกันเลยพวกครูอยู่ดีๆของพวกครูเนี่ยไม่ยอมให้พวกครูอยู่ดีๆพวกครูบอกแก้วบอกเขาา น, นว่ารักชาติทําไมต้องทะเลาะ ก, กันด่ากันไปด่ากันมาถามว่าสีนี้ด่าสีนั้นสีนั้นมันเป็นขมิ้นหรือเปล่าสีนี้ด่าสีนั้นมันเป็นพม่าหรือเปล่าก็คนไทยด้วยกันนะคุณรักชาติยังไงคุณไปด่าชาติไทย คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะเพราครูถึงหยุดไงไม่ออกไปไหนเขาก็ยังโทรมาอยู่ไอ้ที่ค้างค้างเขาจองตัวไ้แล้วแก้วโทรไปบอกทุกคนนะบอกทุกองกอกค์กรว่าพรอครูขอโทษะพรอครูจำสินก็ยังโทรมาอีกไอ้คนใหม่ก็โทรจะไปบรรยายพรอครูก็เลยไม่ตัดผมเฉลย ไม่ตัดเอาเดื้อๆนี่แหละเมธีลไมเมตตาพ่อคูหลายปีนะตัดผมให้พูดทุกวันพ่อคูหนึ่งขี้เกียจรบกวนไม่ชีเหมือนกันคือตัดผมสั้นดีนะเราไม่ต้องดูแลมันไงแต่มก็ต้องรบกวนคนอื่นแกบอกไม่ได้รบกวนมีบุญเยอะทำให้พ่อคูคือทุกอย่างมันได้อย่างเสียอย่างท่านนั้นแหละแต่ทีนี่ที่มันมันไม่บางคนโอ๊ยพ่อคูไ ว, ว, ว้ผมยาวเหรอ ไม่พวกกูจะไปไหว้ทำไมแต่พวกกูยังไม่เอาออกเฉยเป็นเกาะป้องกันภัยไงหลังจากนั้นมาแก้วไม่เคยถามพวกกูเลยว่าเขาเชิญมามันบอกเขาเลยพวกกูจำสินได้ผลได้ผลพวกกูเรียนลำดับว่าการขัดแยง้งมันแรงขึ้นทุกวันแม้กระทั่งในศาสนาก็ขัดแยง้ง ตอนนี้มีพระคุณเจ้ากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งพกครูว่าเกินครึ่งประเทศท่านกำลงรวมพลังกันเพื่อจะกดดันให้าศาสนาพุทธเป็นาศาสนาประจําชาติก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนเราเชื่อไม่เหมือนกันก็ทําไปแต่ที่มันน่ากลัวเพราะว่าไปประกาศศึกกับาศาสนาอื่นที่ต้องทําแบบนี้เพราะกลัวเขาจะมาครอบงาเรากลัวเขาจะมาบุกลุกเรา อันนี้ผิดพลาดครั้งใหญ่เมื่อคุณกีดกันเขาได้เขาก็กีดคันคุณได้แล้วต่อไปคุณจะออกต่างประเทศได้หรือเปล่าคนในศาสนาถือว่าเป็นคนมีปัญญาแต่ก็หลวมตัวไปแล้วพระ ก, กูเห็นสิ่งเหล่านี้ก็ลำดับให้ฟังนะและอยู่ที่นี่ยี่สกปีทำไมพระ ก, กูไม่เจอปัญหาเจอแต่ว่าสำหรับพระกูมันไม่ใช่ปัญหา เราบริสุทธิ์แค่อย่างหนึ่งเนี่ยเหมือนเราว่างเอ็งใครจะยิงถูกเราไหมเราไม่มีเป้าพราะครูไม่กลัวเหรอถ้ากลัวจะมาอยู่ในป่าทำไมมันไม่ใช่กลัวไม่ใช่กล้าเราทำในบางคนบอกนักวิชาการมาสอบประวัติพรอครูเยอะนะเพราะว่าเขารู้พ่ะครูเป็นใครอะไรมาจากไหนแล้วทำไมมาอยู่ในป่า เขาก็ถามบอกตรงๆเอะเพราะคูบอกตรงๆให้มันเห็นภาพจนมาพวกกคูอย oh ู ah. clause, <t ons> <T> ่ที่นี่พวกกูได้อะไรเห็นแต่มีจะาจายเงินจ่ายเงินจ่ายเงินกี่ปีมาไม่รู้กี่สิบล้านร้อยล้านแล้วล่ะพวกกูบอกได้ให้ไงเขาบอกทำไมต้องให้อ่ะถามว่าคุณคุณไหว้ใครไหว้พระพุทธเจ้าใช่ไหมทำไมคุณไม่เชื่อพระพุทธองค์อะ การให้เป็นหน้าที่เราทานศีลภาวนาคุณไหว้พระองค์แต่คุณไม่ทําตามพระองค์เนี่ยคุณมุสานะคุณผิดศีล น, นะไม่ใช่ไม่ให้ไม่พอนะไหว้สาธุขอถุกระวันที่หนึ่งอีกเนี่ค้ากำไรเกินควรอีกตัางหากมันไม่ทุกข์ให้มันรู้ไปเพราะเราเป็นคนผิดศีล อุใช่พุดหรือเปล่าใช่อะไรหรือเปล่าพราครูไม่สนใจหรอกมันจะใช่ไม่ใช่พราครูทำสามอย่างคือทําดีละชั่วขัดเจาจิตให้ป่องใสทําดีคือการให้ทานหน้าที่พระคูให้ทุกวันเด็กอยู่กับเราเจ็ดแปดร้อยคนสองโรงเรียนนี้ชื่อว่าอะไรไม่ต้องรู้พ่อแม่เป็นใครไม่รู้พราครูต้องขอบคุณเด็กๆเหล่านี้เขาเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบา ร, รมีของพระกู ญาติที่ทำบางทีศรัทธาพ่อครูมากเลยเทาย่ทาไหร่เท่าไหร่ก็ทำบุญกับพ่อครูพอเห็นเด็กมันกินเยอะหน่อยไปบ่นว่าพวกนี้ตะกะพ่อครูยังไม่ยังไม่รู้จักดีอีกเอาดอกไม้ให้ทูบเทียนไปไหว้เด็กซะถ้าไม่มีเด็กคนจนนละ้วเราจะไปทำบุญกับใครลองไปทำบุญกับคนรวยเดี๋ยวมันจะเตะเราไม่รู้นับถือาศาสนานับถือไปทำไมตอนนี้ติดแค่รูปแบบ วางฟลอมขึนนะพราะคูรวบรวมทั้งหมดประสบการณ์อยู่ที่นี่เห็นความเปลี่ยนแปลงแล้วพวกครูว่ามันรอระเบิดเท่านั้นเองความขัดแย้งมันล้าวฉานไปทั่วโลกแข่งขันเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมแข่งเอาหน้าเอาตากันเอาอำนาจกันเรื่องการเมืองแม้กระทั่งเรื่องาศาสนา ศาสนาทุกศาสนาเนี่ยทุกๆกศาสดาเนี่ยสอนเรื่องจิตวิญญาณทุกศาสนาเหมือนกันหมดอะต้องมีเมตตาคือการให้เป็นหน้าที่ทุกคนแต่ตอนนี้ศาสนาไม่ต้องศาสนาระหว่างศาสนาไม่เหมือนกันนะในศาสนาเดียวกันก็แบ่งไปหลายหลายที่นี้กายฉันก็ไม่เชื่อเธอเธอก็ไม่เชื่อฉันและทุกคนก็อ้านพระริเจ้าพระองค์เดียวกัน พวกครูพยายามดีเดียงตลอดไม่โต้เถียงใครแต่บังเอิญการระลามิตของเรามาปฏิบัติอยู่ดีๆนะผู้หวังดีก็หวังดีประสงค์ร้ายหน่อยหนึ่งนะหลงทางหรือเปล่าหลงทางหรือเปล่าที่โน่นดีกว่าอะไรๆดีกว่าพวกว่าดีกว่าก็ไปพวกคูไม่ได้คาขายนะจะเอาคนเยอะๆมาทำไม มันเกิดสังคมวิตกจริตสังคมนี้น่าอยู่เลอน้องเียวต้องบอกว่าอยากให้มันโลกมันระเบิดเร็วๆก็มาถึงวันนี้พวกคุณจะบอกว่าขึ้นมันเปลี่ยนแล้วนะเนื่องจากว่ากรุงเทพเรามีศูนย์เล็กๆอยู่กรุงเทพศนะูนย์หนึ่งะพวกคุณเริ่มแรก ไปทำที่ตึกว่องวานิชเนื่องจากมีญาติธรรมคนหนึ่งเขาทาแล้วเนี่ยโอเคเขาแบกภาระอะไรไมเนี่ยเขาก็บ่นว่าเขาต่อสู้นาะพวกครูก็เลยไปทําช่วงตอนนั้นไม่ต้องตกแต่งเราไปทําได้เลยพวกครูก็เอาปัจจัยไปหกแสนบาทไปให้เขาเป็นค่าใช้จ่ายเนื่องจากค่าเช่าที่เดือนหนึ่งมันแสนบาทเงินหกแสนอยู่ได้ห้าเดือน เันต้องจ่ายค่าไฟค่าน้ำด้วยจิตอาสาไม่ต้องคิดเงินค่าน้ามันรถมาเขาก็ไม่คิดเขามีใจเมตตาเขารู้ว่ามันมีประโยชน์ชีวิตเขาดีขึ้นเขาต้องการแบ่งปันโดยเฉพาะน้าหาเนี่ต้องเอ่ยชื่อแกหน่อยหน่แกเป็นผู้บริหารสายการบินนานาชาตินอกจากฝรั่งแล้วเบอร์สองคือของแกเขาลาออก มาทำงานที่ศูนย์เราไม่มีเงินเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้สี่ปีเอาล่ะอยู่ว่างวันนิดห้เดือนแล้วเราก็สรุปว่าไม่พูดถึงเรื่องเงินไม่ใช่เราไปลงทุนหรือเพื่อจะเอาเงินนะอันนั้นเราไปทำบุญหกแสนเราได้ประสบการณ์มากเลยว่าสิ่งนี้มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติจริงๆโดยเฉพาะคนในเมืองความเครียดแล้วก็ต้องเอ่ยชื่ออีกคนหนึ่ง คุณใหญ่ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทโคอยฮะหมเตอร์เคยบวชเป็นพระมาอยู่กับพระครูอาทิตย์หนึ่งคุณใหญ่ก็ไม่เห็นสิ่งที่พระครูทำคุณใหญ่ก็ศรัทธาก็พาพระครูไปดูสาขาโคอยฮะอยู่ที่พหลรามเก้า จริงแล้วแกบอกว่าชั้นสามหรือว่าอะไรเพราะคูเอาหมดเลยก็ได้เพราะคูดูแล้วไม่ไม่เพราะคูก็เอาชั้นสองนี่โอเคมีห้องเล็กๆเนี่ยลองทำดูก่อนก็ไม่มีค่าเช่าแต่ที่เป็นรูปบริษัทแล้วก็บอกเออเราเรากออ็ช่วยค่าไฟเดือนละห้าพันทีนี้สามปีครึ่งที่ทำมาแล้วเนี่ยคุณบิ๊กเป็นคนทำบัญชีนานๆยืน่นให้พระคูปีหนึ่งยื่นมาพรา ะ, ะคูไม่ได้ดูหรอก มีแต่แกรายงานว่ า, เ, าเงินตู้รับบริจาคของบุนนิธีตรงนั้น ะ, ะเฉลี่ยแล้วเดือนหนึ่งประมาณหมื่นบาทก็พอไงก็เหลือห้าก็จ่ายไปห้าพันเลยยังเหลือห้าพันซื้อเครื่องดื่มน้ำเย็นอะไรม า, ม า, ม, ามาแจกญาติๆเขายังกุดสาหลือเงินมาสามแสนกว่าบาท น้าหารกับคุณบิ๊กก็ บ, บอกขอพระองค์บพระครูพระครูเอาม้ช่วยเหลือเด็กยากจนบอกไม่เอาไว้ตรงนั้นแหละพระครูไม่ได้ไปทําเพื่อจะไปหาเงินทีนี้มันแคบแล้วมันแออัดแล้วยังกระป๋ากระป๋องคิดว่ายืนเต้นแบบนี้ได้เหลือไม่นะชึ๊กชึ๊กอยู่กับที่เบี่ยงแรงหน่อยก็ชนแบ่งแ้งหน่อยก็ชนนะพระครูก็สงสารเมตตา บังเอิญญาติธรรมเนี่ยนะญาติเขาก็มีโรงเรียนอนุบาลเก่านะเขาพยายามติดตอด่อจริงๆแล้วเขาไม่ให้นะเขาจะขายนะทีนี้พูดไปพูดมาแกก็เลยให้เช่าสามปีเขาถ่ายรูปพวกครูบอกพวกครูต้องมาดูไหมไม่ต้องขอเขาห้าปีได้ไหมคุณหน่อยก็ไปเจรจา เกินเขาก็ได้รอห้าปีตกลงปุ๊บเราก็นัดกันไปเซ็นสัญญาในนามมูลิตีแต่มันมีค่าเช่าพ่อคูก็ไปไปซ่อมส่งช่างที่นี่ไปตกลงเมื่อกี้นี่เช็คค่าแรงงานคือไปยี่สิบสามวันทําเสร็จหมดแล้วแล้วก็ ไม่กี่วันก่อนพ่อครูก็บินไปกรุงเทพไปดูความเรียบร้อยแล้วโอเคก็สั่งให้เขามาติดแอร์คอนดิชันเราลงทุนซ่อมไปล้านบาทพา่อครูวนี่พ่อครูทำบุญแต่คุยกันว่ามันมีค่าเช่ามันมีค่าใช้จ่ายนับแล้วว่าเออค่าเช่ามีแม่บ้านมีแอร์ทั้งหลายเครื่อง น, นะตั้งแอร์ท้งน้ำนี่ประมาณสักห0หมื่นอย่างน้อยๆปีหนึ่งก็เจ 0,000 กว่า ทีนี้ที่โค้เราเนี่ยก็เดินมาดีๆเพียงแต่ว่าไม่กี่เดือนให้หลังเนี่ยก็มีอะไรแปลกๆ เ, นะเรื่องจิตวิญญาณต้องระวังนะเรื่องจิตวิญญาณต้องระวังถ้าอยู่กับพ่อครูแล้วนี่พ่อครูแอบมองพวกเราทุกวันเออถ้ามันไม่อะไรมากมายพ่อครูก็ปล่อยแต่ถ้าจะไปหลงปุ๊บเนี่ยพ่อครูจะเตือนสติให้เหวี่ยงทิ้ง แต่หลังจากสองปีเพราะคูไม่ได้ไปตรงนั้นแล้วเนี่ยชักมีอะไรสนุกสนุกเข้ามาเนื่องจากว่าจิตอาสาก็เคยมาฝึกที่นี่เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นตั้งแต่เริ่มแรกนะรุ่นอาหารด้วยไม่มีหรอกเปิดเครื่องเสียงไฟฟ้ามันก็ไม่มีนะเพราะคูใช้เสียงระฆังสิอปีแรกเนี่ย ระครังแตกไปไม่รู้สิบกว่าใบเพราะกูตีไม่เคยแตกเลยนะแต่กองเชียร์พ่อครูมาอยู่ตีเมื่อไหร่แตกทุงนั้นพ่อเขาใช้ใจตีเอาเอาไ้มันสุดยอดเลยพราครูใช้จิตตีนะแตกหมดพอมาปุ๊บทำไมแพลแพลแพล <c oughs> ทีนี้เขามาเรียนอยู่ที่นี่เขาก็เอาตัวนี้ไปเอาเหมือนกันนะตอนเราไปเปิดใหม่ๆละ่ะ หนาหาราํทำสีหน้าตกใจมากพ่อครูทำไม ย, ยุคนี้มันเร็วขนาดนี้สมัยรุ่นพวกผมเนี่ยยากยากพก่อคูบอกนิ่งๆพ่อครูสัมผัสดได้แล้วใครทำให้มันเร็วขึ้นไม่ใช่พ่อครูนะเงื่อนไขเวลาของวัฏฏะสงสารบางคนนั่งไม่ถึงกี่ชั่วโมงกูก็ทำได้แล้วนะ่ยนะ สมัยก่อนไม่ใช่อย่างนี้นะเนี่ยระครังแตกไปหลายใบยเลยยังไม่เข้าลองเที่ยวนี้ผู้ครูทำเหมือนเก่าเลยมันเข้าแล้วมันออกไม่ได้เลยนะวันไหนสังเกตนะ่อครูถือระครังมาเนี่ยโอ้โหดิ้นแรงดิ้นลม้มดิ้นตายเลยนะทีนี้เขาก็ไม่อัปเดตเขาไม่อัปเดตแกแกรายงานว่ามันเร็วขนาดนั้นนะยังไปตีระครังเร่งเขาอยู่มันก็เข้าไปก็ออกไม่ได้ไง ที่นี้ก็ใช้อุบายมาเพ่งที่ท้องเพ่งที่ท้องให้มันสงบมีพระรูปหนึ่งมาฝึกกับพระครูเหมือนกันเป็นมหานะอย่าไปเอ่ยชื่อท่านท่านเรียนจบมหาชั้นสูงแล้วมาขออนุญาตพระครูว่าจะเอาสิ่งนี้ไปเผยแร่โดยจะใช้อุบายว่าไปรักษาโรคพระครูบอกพระอาจารย์อุบายนะไม่ใช่เป้าหมายนะรักษาโอุบายนะอุบายนะท่านบอกรู้ ตอนนี้แทบที่จะเปิดคลินิกเลยนะเห็นไหมมันสนุกไงเป็นโรคภัยเครยเก็บก็หายไงพวกกูบอกพระอาจารย์ไม่เป็นพระแล้วหลือจะเป็นหมอหรือแต่ตอนนี้คุยกันไม่รู้เรื่องแล้วเพราะติดลมไปแล้วถ้าเราไม่ทำให้ตัวเองแตกฉานี่เราจะเป็นหลงสิ่งนี้เร็วๆนี้ก็ไปบอกหน้าหารหนาหาร พวกครูเลยเป็นคนตีระครังเองก็นาหาเป็นพูดเองว่าตอนนี้มันเร็วมันเข้าไปเร็วมากจะไปเร่งเขาทําไมพอเร่งมันเข้าไปบุ๊กก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นหลงติดนะพระอาจารย์มหารูปนั้นน่ะท่านก็หยุดไม่ได้ไงท่านแก้ยังไง ร, รู้ไหมท่านไปเอาพริกขี้หนูสดๆนี่ให้มันเคี้ยวกินน่ยมันรู้เผ็ดมันก็ออกมาข้างนอกมันก็หายไง บอกเดี๋ยวเขาตายแล้วใครรับผิดชอบเขาเนี่ยคือเรานักวิชาการเหมือนกันฉันเรียนรู้แบบนี้โอเคไปเรียนอยู่ยุโรปใช่ไหมนักเศรษฐศาสตร์เรียนอยู่ยุโรปโอ้ยมันต้องมีเอีูต้องรวมกลุ่มกันเพื่อพลังต่อรองไม่จะสู้อเมริกาไม่ได้เห็นไหมมันก็เรียนทฤษฎีนั้นมาไงจบไปด็อกเตอร์แล้วนะแล้วกลับมาบ้านเราก็ไปสอนมาให้ต้องอาเซียนต้องอาเซียนโดยไม่ย้อนกลับไปดูว่าทฤษฎีที่เรียนตอนนี้เอูมันเป็นยังไง อียูกลังจะแย่นะพอมีประเทศหนึ่งเซงไปมันลากกันไปหมดเลยเห็นไหมแต่ความคิดนอกกรอบไม่ได้ที่เรียนวิชานั้นไงต้องอาเซียนอาเซียนไงอีกห้าวันมันจะอาเซียนเราไม่ได้เตรียมอะไรเลยเนี่ยเตรียมตัวตายบังเอิญว่าศูนย์เราโชคดีหน่อยหนึ่งเราเตรียมตัวตายทุกวันอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดเพราะกูไม่มีทางเลือกไงเราต้องเตรียมตัวตายมันตายนแน่ ร้านเสริมสวยยังอยู่ไม่ได้เด็ ก, กรรมกรมันจะอยู่ได้ไหมเกษตรก ร, ร, กรอยู่ได้ไหมสาขาอาชีพอยู่ได้ไหมแม้กระทั่งครูพารานไข่ยเอื้อละเหยือยแบบนี้นะต่อไปครูลาวที่เขาหวังเขาใยดีครูขมิ้นนี่เขาพูดภาษาอังกฤษเก่งกว่าเรานะเดี๋ยวพอกูจะจ้างครูลาวมาสอนแทนครูไทยเราโดนแย่งงานหมดเดี๋ยวเมื่อกี้นี่ผู้บริหารครูปากทางใต้เนี่ยเขาบอกว่า มาลเลเซียเนี่ยเขาบุกแล้วอินโดนีเซียไม่เคยมานะเขาส่งเด็กนิสิตเนี่ยปี4ีเนี่ ย, ยมาทางภาคใต้เราแล้วพวกเราเตรียมอะไรเสร็จหมดนะพวกครูจึงบอกครูที่นี่ทั้งสองโรงเรียนเนี่ยไปเที่ยวกรุงเทพไปดูงานโรงเรียนครูก้อย โรงเรียนก่อนพิทักษ์ครูก้อยก็ใจดีใจดีนะครูก้อยเขาก็โทรมาถามแก้วก็ถามพ่อครูหน่อยให้ครูไปดูอะไรครูก้อยส่งครูมาดูงานที่นี่พ่อครูบอกพ่อครูไปเห็นโรงเรียนครูก้อยแล้วเนี่ยครูที่กรุงเทพเนี่ยตึงไปครูก้อยเก่งมากถึงหาเครื่องมือไปผ่อนคลายความตึงเครียดของครู แต่ครูของที่นี่ยานเกินไปบอกกูก้อยเติมน้ํามันให้หน่อยหนึ่งโว้คูก้อยบอกเตรียมไว้เยอะเลยเป็นโกดังเลยน้ํามันนะไม่ใช่เทนะ้ํามันเฉยนะจุดไฟเผาด้วย <c oughs> ดีแล้วจะได้ไปเจออะไรที่ของจริงหน่อยหนึ่งไม่ต้องเครียดขนาดนั้นแต่ว่ารู้สึกตื่นขึ้นมาเราจะทําเอ้อลราเหยเหมือนเก่าไม่ได้แล้วนะ อาเซียนมันเปิดมาเนี่ยครูก็ลําบากลูกหลานเรามันจะยังไงมันจะเอาอะไรไปสู้เขาเราไม่ต้องการสู้ถ้าถามพระครูเนี่ยพวกครูหนีมันมาไม่ต้องสู้แต่เราหาเรื่องจะไปอุ้มชูลูกหลานเขาเป็ไงคุณคุณไม่คุณปฏิเสธดูแลอนาคตเขาไม่ได้มันหลวมตัวแล้วไง <c oughs> ก็ต้องทำเท่าที่เราทําได้เ <c oughs> ด็กๆ ก, กลุ่มนี้จึงเป็นเด็กๆพวกคูว่าเสียสละด้วยนะ ครูอ้อยเราติวเจ็ดวันวันอาทิตย์หนึ่งไม่มีหยุดเลยเขามาเสียสละเพื่อจะลองโปรแกรมใหม่ที่ครูก้อยส่งให้เราเพราะเรามีเวลาสั้นมากเพราะครูทําอะไรไม่ใช่ใจร้อนนะญาติทําบางคนว่าใช้งานเสร็จทุกงานนั่นแหละแต่พราะครูใจร้อนเกินไปพราะครูมีใจเหรอเอาซะว่าพ่อครูสั่งไปเบิกเงินให้พ่อครูหน่อย อาคามันบอกว่าปีหน้าค่อยมาเบิกรอปีหน้าเบิกมาได้นะเบิกได้สําเร็จแล้วไงเบิกมาได้จริงๆนะแต่แทนที่จะเบิกวันเดียวมันรอปีหน้านี่ น, นี่ เ, นเสร็จเลยทําอะไรต้องติดตามงานอะไรเนี่ยพ่อครูไม่รอหรอกพ่อครูรู้ล่วงหน้าด้วยโลกมันจะเกิดอะไรขึ้นตอนนี้มันเกิดอะไรเนี่ยพ่อครูรู้ล่วงหน้านะนี่คือรู้โลกอย่างแจ่มแจ้งตอนนี้รู้แล้วว่าพวกคูทําไมรอสองปีตอนที่พวกคูบอกว่าหยุด แกไม่ได้ออกไปญาติธรรมที่กรุงเทพนี่บอกว่าพราะครูหยุดไม่ได้นะกระแสมันมาทางเราหมดเลยนั่นแหละยิ่งต้องหยุดอย่าไปติดเบ็ดนะถ้ามีอามิสนิดหนึ่งเนี่ยโอ้โสมัยก่อนมีครูบาอาจารย์ที่ดังๆนะพอหลวงพ่อชาท่านสิ้น่ะวันที่พระราชานเบงสศ ป, ปุ๊บเนี่ยเขามาปักกฎเลยเป็นรองรับลูกศิษย์หลวงพ่อชาและปัจจุบันองค์นี้เนี่ยต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศลว มันมีอามิดมันไม่บริสุทธิ์ไงทำเพื่อลาบยศสรรเสริญพวกคูไม่ได้ทำเพื่ออะไรนะพวกคูถามว่าปฏิบัตินี่แนวนี่ดีไหมบอกดีร่างกายจิตใจแข็งแรงขึ้นก็ดีไงก็ต้องหยุดไงเขางงอ่ ะ, งงอะดีทำไมต้องหยุดอ่ะถ้าไม่หยุดเราจะถูกทำลายด้วยก็หยุดนะหยุดรักษาสิ่งดีๆไว้ รักษาเชื้อที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าไว้แต่อย่าไปติดที่รูปแบบบ้านเมืองเราประเทศเล็กๆเนี่ยเหมือนกบอยู่ในกะลาฝึกรูปแบบนั้นก็คําว่าปฏิบัติทําต้องเป็นแบบนั้นแบบนั้นไม่ใช่เขาผิดนะเขาเหมือนนักวิชาการเพื่อไปเรียนแบบนั้นก็คิดแบบนั้นโลกมันเปลี่ยนแล้วไม่ลืมหูลืมตาอยูมกําลัางเดือดร้อนอยู่ต้องอาเซียนฉันเรียนมาไงต้องเกาะกลุ่มกันเพื่อต่อรองไง แล้วสุดท้ายนี่ทุกท่วนหน้าไม่ใช่สาธารณาสุขนะสาธารณาทุกไอคนได้ประโยชน์น่ทุนข้ามชาติเป็นมีแค่ไม่กี่หลายนับเป็น 1% เป็นก็ไม่มีแต่นอกด้าน 99% ้เนตน่เตรียมตัวเตรียมตัวตายพวกเราเตรียมมานะไม่เดือดร้อนแต่ลูกหลานเราก็จะอยู่ยังไงเห็นไหม หลังจากไปกรพิทักษ์มาพราคูยังไม่มีเวลาประชุมกับครูนะไม่รู้ก่อนสิ้นปีนี้เขาจะจัดโปรแกรมให้พ่อคูประชุมคูหรือปล่สรุปผลว่าไปเราได้อะไรแล้วจะเตรียมยังไงะจะทำยังไงต้องรายงานพรอคูนะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเราแล้วมันเป็นเรื่องขององค์กรส่วนรวมของประเทศชาติส่วนรวมไปพึ่งรัฐบาลอย่างเดียวปัญหาบ้านเมืองก็เยอะแยะเลย พวกครูเคยพูดแรงๆนะพวกครูเคยเป็นนักการเมืองนักการเมืองในโลกพวกคูศึกษาหมดละ<ม>ไม่เคยสนใจใครมีนักการเมืองคนหนึ่งเนี่ยพูดเอ่ยชื่อก็ได้พูดในทางที่ดีเนาะอดีตประธานาธิบดีเคนเนดีคนดีอายุสั้นหมดเขาเคยหาเสียกับคนเป็นล้านๆเนี่ยถ่ายทอดไปทั่วโลกนะจะเพาะ อ, อเมริกาก็200กว่าล้านคน เขาชี้หน้าประชาชนเขาบอกว่าอย่าถามว่าประเทศชาติจะทำอะไรให้กับเราบ้างถามว่าเราจะทำอะไรให้กับประเทศชาติบ้างนักการเมืองไทยกล้าอย่างนั้นไมมิถไปแจกไปแถมให้เขาให้เขาเลือกเราพวกครูเคยมีร้านอาหารที่อเมริกาบังเอิญบุญอีกนั่นแหละอยู่ มีคนแถวนัมาติดต่อเอาอาหารไทยเขาไปจัดปาร์ตี้เขาบอกว่าจะมีสอสเนี่มาเยี่ยมเขาเขาจะจัดปาร์ตี้งานนี้พ่อครูไปเองเลยดูว่ามันเป็นยังไงสอสก็ขาขึ้นไปบรรยายว่าตอนนี้เศรษฐกิจเราเนี่ยขาดดุลการค้าญี่ปุ่นเยอะถ้าไม่จำเป็นอย่าใช้รถญี่ปุ่นรถอเมริกันเนี่ยเอถอะทะบ้างแต่ปลอดภัยเห็นไม เขาก็บอกเขาแล้วก็ประชาชนแถวนั้นก็ฝากสสอเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอพาร์ตี้จบเขาว่ายังไงไหมก่อนจะต่างคนต่างกลับเนี่ยประชาชนที่มาในงานนั้นลงขันซื้อตัวสสจ่ายค่าอาหารแล้วที่เหลือปุ๊บมอบให้สสอเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางสอสมันกล้าไปขายตัวไหม ประชาที่ประยเขาต้องเตรียมคนก่อนบ้านเราอย่าว่าแต่แตะสีตาสาไม่รู้เรื่องเลยนะซื้อเสียงขายสิทธิ์ขายเสียงไม่ดีใครมปนคนมาซื้อใช่ไหมไอ้ด็อกเตอร์มันมาซื้อนะถ้ามันไม่มีคนซื้อมันจะไปขายใครอย่าไปโทษนะคนอีสานโง่จนอะไรเนี่ยนะ เขาอยู่ดีๆของเขาเขาไม่คนไม่รู้คือคนไม่รู้ไม่ใช่คนโง่คนโง่ ค, งคือรู้แล้วจะไปทำสิ่งที่ผิดไงอันนี้ไอ้โง่เลยละเราไปยัดเยียดอ้างสิทธิเสรีภาพอ้างอะไรเนี่ยเขาไม่รู้ไงพวกครูเองเป็นนักการเมืองน่พูดไม่อายในสมัยก่อนถ้าสมัยก่อนไม่กล้าพูดอายไง แต่ตอนนี้คําว่าอายแปรยังไงเขียนยังไงพ่อครูก็ไม่รู้มีแต่เรื่องความจริงไปใหม่ๆภาษาก็ปูปูป่าไม่ได้ไม่อยากไปอยู่อเมริกาพ่อครูไปเรื่อยไม่เคยคิดชอบเลยแต่แม่แกทุกข์มากเราเป็นลูกคนโตน่ะนะมาเล่นการเมืองเขาจะฆ่าทิ้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แล้วเป็นคนใจใหญ่ขอมากูให้เลยเขาบอกมีเท่าไหร่ก็หมดคนอื่นเขาเล่นการเมืองเขารวยๆเอาไม่ใช่เขาหลอกพ่อครูไปนะ เขาแอปพลายบัตรเขียวให้พ่อครูไงให้ครูไปรับให้พ่อครูไปรับไงบัตรเขียวก็คือว่าเราจะมีสิทธิ์เข้าออกอเมริกาอยู่ที่นั่นเป็นคนต่างด้าวที่นูน้นก็คิดว่าไปเดือนหนึ่งแม่ร้องห้าใหญ่เลยอะไรๆเนี่ยพกก่อครูต้องทิ้งทุกอย่างความดีความชั่วที่สร้างไว้ในเมืองไทยไปนั่งนับหนึ่งใหม่และเด็กเมื่อวานซื้อที่นู้นน่ยมันบอกว่าที่นี่เท่าเทียมกัน แข่งขันเสรีถามว่าเราจะเลแข่งกับเขาถนนหนทางกูก็ไม่รู้ภาษากูก็ไม่เก่งวัฒนธรรมกูไม่รู้เหมือนเราวิ่งร้อยเมตรแข่งกันคนนึงสตาร์ทจากจุด m, นหนึ่งเมตรคนนึงสตาร์ทจากจุดห้เมตรมึงจะแข่งกันได้ยังไงพราคุมหวานอมขมกลืนเพื่อสนองคุณแม่แต่อเ น, นสงนั้นได้มหาศาลเลยเพราะกูไปเห็นทุกที่อเมริกาไม่เห็นทุกไม่เห็นทํา แล้วมีโอกาสได้เรียนรู้สองวัฒนธรรมเราทุกมากเพราะว่าเราเป็นผู้ชายไทยช้างเท้าหน้ามีอีโ ก, โก้ไม่ฟังคนอื่นไปที่นูนมันบอกเท่าเทียมกันมันเป็นสภาวะที่ไม่ชอบเลยทุกมากเห็นทุกอยู่เจดปปีบุญเก่าทำให้ทาอะไรก็เอออยากได้อะไรก็ได้หมดยังไงแล้วทำไมมันไม่สุข นะอันนี้คือที่มาที่ไปแล้วทีนี้บังเอิญพ่อคูเห็นพอมันระเบิดปุ๊บไม่สงสยัยละอย่าไปโทษใครทั้งนั้นละ่ะวัฒนธรรมแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะเราหยุดแล้วไปไหนชี้เลยไปบ้านเกิดเมืองนอนจิตพ่อคูไม่ต้องการเป็นหนี้ใครอีกแล้วพ่อคูมาสนองแผนทุนสนองคุณแผ่นดินงเกิดและถ้าเราไมา่อยู่ตรงนี้นี่เราจะมีส่วนเกิน ทำอะไรเยอะแยะมาสนองคุณครูบาอาจารย์คําสอนท่านพระ อ, องค์เนี่ยทำให้พคูพ้นทุกพ่อครูมีหนี้สองอย่างส่วนหนี้แม่นั้นพ่อคูจ่ายหมดละพ่อคูดูแลน้องส่งเสียจบเมืองนอกหมดแล้วก็ทําตามแม่ที่ต้องการแล้วสุดท้ายมาอยู่ที่นี่ยี่สิบกปีแม่เนื่องจากรักลูกรักหลานก็มาเยี่ยมเราก็มีโอกาสปฏิบัติธรรมทำบุญวินาทีสุดท้ายเนี่ย ท่านก็เป็นคนแรกที่มาเผาที่นี่อันนี้คืออา น, นิสงส์งที่เราทำมาตลอดก็เลอยให้พวกเราฟังว่าตอนนี้อย่าชะล่าใจโลกตรงนี้ไม่สงบแล้วภัยอันตรายสงครามไร้รูปแบบมันเกิดขึ้นแล้วแล้วก็สงสามสงครามการแข่งขันยื้อแย่งทั้งเศรษฐกิจสังคมการเมืองมันเกิดขึ้นแล้วพวกกูรอยอยู่สองปี รอให้มันสงบเพราะดูแล้วนี่ชาตินี้ก็ไม่สงบก็เลยหาช่องออกไปบังเอิญวันที่พ่อครูไปดูงานกรุงเทพเขาส่งไปที่สนามบินดอนเมืองระหว่างทางคุณกิจสดาขับรถมาเขาชี้น่พะพ่อครูป้ายใหญ่เขาเขียนว่า high fitness คำว่า fitness เนี่ยพ่อครูสว่างเลยเจอทางออกไปแล้ว แล้วมันเขียนมาเป็นโยคะอะไรด้วยน ะ, นะพวกครูบอกมีคำตอบแล้วพวกครูพูดหลายปีเป็นยังยังไม่ถึงเวลามันก็ยังจิตมันไมไ่ไปสนใจเรื่องนี้นะ่พอมันถึงเวลาปุ๊บเนี่ยจิตพวกครูก็พิจารณาว่าเออแล้วยังไงคำว่าฟิตเนสเนี่ยในสายตาความรู้สึกเรามันเหมือนพวก อะไรสุขนิยมหรือว่าอะไรไม่ใช่นะเขาเปิดร้านฟิตเนสเนี่ยเขาไปเหนื่อยด้วยออกกาลังกายด้วยเพื่อสุขภาพแล้วก็ภาษาอังกฤษก็มันรวมถึงเรื่องอาหารด้วยฟิตเนสก็คือพัฒนาให้มันดีขึ้นแต่ภาษาไทยเราเรียกว่าพัฒนาเราไปเปิดศูนย์โคนั้นเพราะคูตั้งว่าศูนย์พัฒนากายจิต น, นะ แล้วก็เป้าหมายคือกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขชัดเจนวันที่15นี้เราจะปิดศูนย์โคและ 16-17 ไปเปิดศูนย์ใหม่ตอนนี้เราไม่ปฏิบัติธรรมจริงๆเราอยู่โคก็ไม่ปฏิบัติธรรมไม่มีเรื่องศาสนานะพราคูรู้อยู่แล้วว่าออกไปข้างนอกนพรอครูลองอยู่4ปีนี่ไม่เกี่ยวกับศาสนาเพราะไม่อยากขัดแยง้งทุกๆศาสน า, าก็เป็นมนุษย์เหมือนกันพระพุทธเจ้าไม่ไม่ได้สั่งให้สาวกจาร้ไปประกาศศาสนา พระองค์ดําดิให้สาวกจาริย์อาไปประกาศพรมอาจารย์ชีช้ทางพ้นทุกให้สัตว์โลกทั้งหมดสัตว์โลกทั้งหมดไม่เพียงแค่มนุษย์ไม่เพียงแค่มนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งลทัทธิด้านลัที่หนึ่งพราะรูพยายามทําอย่างนี้ตลอดเวลาถ้าทําสียเสียบอย่างเข่งคัดนะอย่าคอร์รัปชันอย่านอกลู่นอกทางน่ยเดี๋ยวเราจะแข็งแข็งแรงอีก ผู้เจ้าพูดว่าบำพชิตไม่เสบส่วนสุดต่งสองส่วนระหว่างของคู่ถ้าเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยระหว่างข้างนอกกับข้างในข้างนอกคือตาหูจมูกลิ้นกายมันเป็นตัวกระทบผัสสะเสียงกระทบหูนะลดกระทบลิ้นลูกกระทบตาแล้วมันก็ส่งไปรู้ที่ใจเวทนากันที่ใจ หัวใจเป็นศูนย์กลางของชีวิตแต่มันอยู่ได้ด้วยจิตจากวันนี้เป็นต้นไปนะโอเคศูนย์กรุงเทพเพราะกูเห็นละอย่าไปบอกว่าไปไหนไปปฏิบัติธรรมให้สายไหนวะมันถูกต้องหรือเปล่าพอปฏิบัติธรรมปุ๊บเนี่ยก็ไปหลงสภาว่ารำให้กูเห็นนั่นกูเห็นนี่ก็บอกแล้วเหวี่ยงทิ้งไง ผู้เจ้าบอกเป็นอัตตเหตุตนนอาโถพึ่งตนเองมันเป็นรู้ได้เฉพาะตัวมันเป็นเรื่องของเฉพาะตัวคุณไปบอกเขาทําไมสูงนี้ก็มีบอกว่ารู้ก็เบี่ยงทิ้งเบี่ยงทิ้งตอนนี้ครบแล้วนะเนี่ยอยู่ๆไปติดที่สงบสบสง บ, สง บ, สงบนะบางคนบอกมันสงบแล้วก็มันเกิดอภิญญานะสมถะกรรมฐานนั่นอยู่ น, นานๆมันจะเกิดอภิญญานะ ว่างวงว่างว่า ง, างาที่ศูนย์เราเร็ ว, รวๆนี้สะอาดสะอาดฉันสะอาดเธออย่าใกล้ฉันนะคนสะอาดจริงๆมันลังเกียจพระพุทธเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งจันททานยังไปไม่ลังเกียจเขาเลยยังบวชให้เขาเลยไงมันสะอาดจริงหรือเปล่ามันหลงสะอาดต่างหากสงบสะอาดสว่างว่างมันเป็นแค่สภาวะธรรมหนึง่ง จิตไปหลงติดแล้วเนี่ยมันจะว่างได้ยังไงว่างไม่ได้แปลว่ามันไม่มีมันว่างว่างอันนั้นเป็นอารมณ์ว่างเฉยๆแต่คุณไม่ได้ว่างจริงๆยังมีคนที่ไปติดความว่างอยู่ไงมันจะว่างได้ยังไงอุ้ยสะาสะอาดยังมีคนไปหลงสะอาดอยไปลังเกียจคนอื่นนะมันสะอาดจริงไหมต่อไปนี้ที่ศูนย์นี่เหมือนกันพรกครูมเมตตาขนาดไหนรู้ไหม เออเมื่อศูนย์กรุงเทพทําแล้วที่นี่ทําบ้างเราเป็นเราเป็นสัรพักงานใหญ่ถ้าเป็นในทางการค้านะมึงจะปล่อยให้สาขาทําก่อนไนดะ้ยังไงเฮ้ยเอาด้วยประกาศเลยวันที่หนึ่งเริ่มต้นแล้วก็ตั้งเป็นชมรมนะต้องตั้งเป็นชมรมถึงเราจะไม่ จันหลงพระศาสนาประกาศศาสนาเราจะประกาศพรมจันกระชั้นถึงจะเป็นฟิตเนสกระชั้เนเลยแต่ให้กูไปเก็บตังค่าปฏิบัติเนี่ยเพราะครูทาไม่ได้เราต้องมีหน้าที่ให้แต่ทํายังไงให้องค์กรนะั้นมันอยู่ด้วยตัวมันเองได้ก็หลังจากเห็นก็บอกฟิตเนสโอเคเราไปฟิตเนสไปไหนไปฟิตเนสเขาไม่ต้องถามเบนะสายไหนใช่ไหมคุณมีหน้าที่ฟิตก็ฟิตไป ยัไปฟิตเน็เนี่ยโอเคคุณไปยกน้ําหนักยกน้าหนักเนี้ยทำแต่เรื่องเก่าๆทําแต่ เ, เรื่องเก่าๆทุกวันเราจะเห็นสิ่งใหม่ๆมันก็แข็งแรงขึ้นทุกวันอันนี้แสวงหาแต่เอ้ยนั้นดีนะวิธีนั้นดีนะวิธีนั้นดีนะไปวิ่งหาแต่สิ่งใหม่ๆแต่ทำแต่เรื่องเก่าๆสนองกิเลสทั้งนั้นแต่ตัวอยากรู้อยากเห็นนะจากนี้ไปฟิตเน็แต่ที่นี่เราพูดคําว่าฟิตเน็ไม่ได้มันขัดแยง้งเมื่อวานนี้พวกกูดูทั้งวันดูทั้งนอกทั้งหมดเลยอันนี้ก็พระใหญ่ อันนี้ก็กวนอิมเข้ามาในศาลาเนี่ยปุ๊บเพระพุทธรูปเฮ้ยไม่เป็นไรนะคือความเมตตาเนี่ยมันมีว่าทำอย่างไรก็ช่างเนี่ยคือต้องการป้องกันเราด้วยเราจะเป็นส่วนหนึ่งคนขัดการขัดแย้งนะอ่าแล้วก็อุบายนี่จะทำให้ออกในวงกว้างคนเขาจะได้โอกาสเยอะพอมพิจารณาอยู่สองวันนะเมื่อวานนี่มาหลังจากขึ้นไปบนพระเนี่ยนะเฮ้ยไม่ยากนะ ถึงเวลาสวดมนต์ก็เปิดออกถึงเวลาเบี่ยงก็ปิดเข้าพอลงไปไปบอกปุ๊กๆๆเดี๋ยวทำม่ า, มานพรอครูนะพอกลับไปอาบน้ำเดี๋ยวเฮ้ยหลงทางแล้วเมตตาจนขาดสตินะเพื่อจะเปลี่ยนแนวใหม่จนลืมหลักการจะไปปิดพระพุทธรูปไว้พรอครูเพิ่งเปลี่ยนใจดืงนช้ามาปุ๊กยกเลิกทุกอย่าง ที่นี่ให้มันเป็นเหมือนเดิมใครหลงเข้ามาพวกครูนี่แหละพุทธพุทธแต่ข้างนอกไม่เกี่ยวกับศาสน า, ศาเหมือนพวกครูเปิดโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนไม่เกี่ยวกับศาสน า, ศาคนพุทธส่งเสริมการทำดีได้ถ้าเปลี่ยนนะคุณจะแยกยังไงโอเคอันนี้ปิดได้พอไปบอกปุ๊บเดิอนอกไปหันไปหลังเอ้ยเราจะเอาแม่ฉี่ไปซ่อนที่ไหน คือคพ่อครูเมตตา เ, ออเมื่อตั้งเป้าแล้วพ่อครูจะหาคําตอบเออมีวิธีแก้ไขไหมเพื่อให้งานนี้เดินแต่งานนี้เดินไม่ได้ก <c oughs> ็ <c oughs> ไม่ต้องทําเราไม่ใช่วัดซะหน่อยหนึ่งก็ที่ผ่านมาพ่อครูไม่ยุ่งกับเขาแล้วโอเคแต่สิ่งหนึ่งสมัยก่อนเขาเรียกศูนย์ปฏิบัติธรรมพระลานคอยพ่อครูบอกแก้วเปลี่ยนตั้งแต่ปีที่แล้วนะแก้วอย่าไปเรียกศูนย์ปฏิบัติธรรมมันเคยมีเรื่องหนึ่งนะ ญาติทำจริงๆล้วก็ศรัทธาพระครูมากอ่ะแต่นานๆานมาครั้งหนึ่งเห็นความเจริญมากแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนเก่าไงเขาไม่พอใจเลยไม่รู้เขาก็กลับไปลายมาเยอะแยะเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมอะไรนี่ไม่แยกชายแยกหญิงเห็นไจับผิดหลายอย่างเลยศูนย์ปฏิบัติธรรมส่วนมากก็แต่งชุดขาวสีอันนี้หลากสี เห็นไมก็ที่นี่ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมที่นี่คือศูนย์พระลานคอยเราบริหารด้วยมูลนิธิเพื่อผู้ ด, ด้อยโอกาสศูนย์พรลานคอยมูลนิธิไม่เกี่ยวกับการเมืองไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่พระครูพุทธละ่ะพระครูเป็นชาวพุทธแต่พระครูไม่หลงความเป็นพุทธทีนี้มันก็มีศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทอง เศูนย์สมองก็มีโรงเรียนสองแห่งเป็นฐานที่ตั้งแห่งการสร้างทานบารมีของเราศูนย์จิตใจก็มีศาลาแห่งนี้มีที่พักสงฆ์ที่พักชีญาติธรรมพุทธบริสัทธสีอุบาสกอุบาสิกานั่นเขามีครอบครัวจะไปแยกผัวแยกเมียคนเหลอเราไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเราเป็นศูนย์าลานคอย แต่ศูนย์จิตใจนี่เป็นเซสชั่นเป็นกิจกรรมเราอย่างหนึง่งพวกครูเปลี่ยนชื่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้ว่าแก้วเรียกศูนย์พลานคอยเฉยเขามีตั้งศูนย์จิตใจศูนย์สมองศูนย์ปากทองแล้วที่นี้เราไปเขาทําที่โคอะไรก็ดีอันนั้นคือศูนย์พัฒนากายจิตเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิมันไม่เกี่ยวกับศาสนาแต่ตอนนี้ใครมาที่นี่ปฏิเสธไม่ได้ว่า เราเป็นศาสนาพุทธแต่เราไม่ยึดมั่นถือมั่นกับความเป็นพุทธเรายินดีอยู่ร่วมกับหมู่คณะสัตว์โลกทั้งหลายก็ตัดตอนธรรมดาพระ ก, กูจะเปลี่ยนมันที่หนึ่งเลยนะทีนี้มันเปลี่ยนไม่ได้นะมันแยกไม่ออกไงพระ ก, กูไม่เป็นคนไม่ดื้อนะแต่เป็นคนจริงเราต้องหาคำตอบที่มีเหตุผลตอบตัวเองได้ก็สรุปว่า ตรงนี้ดำเนินต่อไปแต่ว่าสิ่งที่ต้องเปลี่ยนนะทุกคนต้องให้ความร่วมมือพระครูนะอย่าไปพูดเรื่องสภาวะธรรมกันเด็ดขาดต่อไปใครจะถามสภาวะธรรมเนี่ยต้องเอาเงินมาเยอะๆนะคาถามหนึ่งสองพันแต่ถ้าไม่ถามพระครูไปถามคนอื่นไอคนนั้นเผลอตอบคนโข่ตอบก็ต้องเสียสองพัน เราทำหน้าที่เราเรามีหน้าที่ดูแลกายฟิตจิตเฟิร์มอารมณ์ดีชีวิตมีสุขไม่คนแย้งพราะกูพราะกูยังสอนให้เขาติดสุขเลยเพราะกูพกูโง่ขนาดนั้นเลยมันยังไม่พ้นทุกข์ก็สุขไว้ก่อนแล้วคุณรู้เปล่าสุขจริงๆมันคืออะไรนิพานเป็นสุขอย่างยิ่งปิรมิดเราแบ่งเป็นสามส่วนเท่ากันความสูง แต่ข้างล่างนี่ยามมันกว้างกว่ามันเป็นเจ็อร์เซนต์ตรงกลาง20เปอร์เซนต์ตรงปลายส0เปอร์เซนต์รงยอดมันไม่ถึง1เปอร์เซนต์มัวจะไปพูดนิพพานนิพพานอยู่ตรงนั้นแหละคนที่เขายังไม่พร้อมเขาไม่รู้ว่านิพพานคืออะไรเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเจ้าภาพเขาเอาพระโพธิสัตว์กวนอิมปางมังกรมาที่นี่เขาไม่เคยมาสูงพระอาจารย์ปรลมีพามา เพราะเขามีนิมิตว่าพระโพธิสัตว์บอกว่าต้องสร้างปางมั ง, มงกรนะเขาก็พากันมาดูบางเอิญเขามาเห็นรูปภาพที่นี่เราถ่ายที่นี่ได้ไ ด, ได้ได้ที่พระประธานเนี่ยพระโพธิสัตว์ยืนอยู่ตรงหลังมังกรหฮงเจียยืนอยู่หัวมังกรพ่อครูเรียกว่าปางเคลื่อนพลจนลงศาสนาตอนเขา้าพรรษาถ่ายได้ทุกวันออกพรรษาปุ๊บมันไม่มีเลยและอีกไม่นานกุ๊ปนี้ก็มาอ ย, อยู่เข้าฝัน เขามาขอสร้างที่นี่เพราะเขาเห็นรูปตรงนี้แนหะก็ให้ไม่ชีเขามานั่งทางในก็นอบอกใช่แล้วนะพอออกพรรษาแล้วมีญาติธรรมก็อเอาพระโพธิสัตว์คนยิมชุดหนึ่งที่มีเด็กรับใช้สองคนนะ่ะคนจีนว่าเสียงใช้เหล่งหนึ่งเนี่ยมาถวายพระคูก็ตั้งไว้ตรงนี้ญาติธรรมเก่าๆมาเอ๊ะพระครูเปลี่ยนรัติีใหม่แล้วเหรอเอะอยู่เรื่อยพระครูบอกนิ่ง นิ่งๆเพราะครูไม่ได้ขอเขาสักหน่อยหนึ่งเออเขามาทำบุญก็รับไปก่อนที่นี้ไม่ต้องการขัดแยง้งบังเอิญมีญาติทรรทมาจากฮ่องกงจะเป็นเจ้าภาพสร้างห้องสมุดให้เราเพราะกลัเออในไหนห้องสมุดสร้างเป็นสองชั้นเลยก็อัญเชิญพระโพธิสัตว์ชุดนี้ไปอยู่ที่นูน่นเพราะคนเราจริตไม่เหมือนกันทีนี้เจ้านีกน็มีมิตต้องสร้างปางมังกรอนีนะ คิดว่าเอาองค์เล็กๆมาให้พระครูเนี่ยองค์เบ้อเล่อขนาดนี้จะไปตั้งข้างบนได้ไหมเขาบอต้องสร้างไปทางทิศเหนือนะนะก็ทีแรกว่าต้องต้องอยู่ในกลางแจ้งเออแล้วก็เตรียมพื้นที่ให้เตรียมฐานให้ก็วันมายกอาจารย์ปริญก็ตามมามาทําพิธีเบิกพิธีพวกนี้พ่อครูไม่รู้แต่พระครูไม่ต่อต้านพ่อครูไม่ทําลายสมุุญบัญญัติของใคร ใครทาแล้วมีความสุขก็ทําไปเถอะจะภาพเข้ามาว่าเอ๊น่าจะมีหลังคานะเพราะว่าองคุครอิมจะได้มีอายุยืนยาวเอาอยู่แล้วได้คืบเอาศอกอยู่แล้วเออต้องเป็นแบบเก็งจีนนะมีหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมอะไรอะไรเนี่ย เขากลับไปพรากคูก็ไปยืนดูเพราะคูไม่เห็นเก่งจีนเลยเห็นเป็นปีละมิดก็เป้าหมายก็เพื่อว่ากันแดดกันฝนใช่ไหมก็กันไงและบนยอดนี่ก็บรรลบนจุญบรุ่มสาลีกทาด้วยเนี่ได้สองต่อพรากคูไม่ติดบวกเจ้าภาพเขามาเอ๊ะทำไมตําหนักกวนอิมเนี่ยมังกรก็มีพญานาคก็มีลิงก็มีคุดก็มี ถ้าเป็นสายจีนมีไม่ได้นะเพราะคูบอกนี่มันร่วมสมัยพราะคูไม่ได้ติดละตินไดกายแต่ไม่ได้ปฏิเสธเราต้องข้ามพ้นสิ่งนี้แต่ว่าจิตเราต้องเหนือสมมุติแต่อย่าไปทำลายสมมุติที่เล่าให้ฟังและให้กาละมิตรรุ่นเก่าๆก็ช่างเนี่เดี๋ยววันนี้เนี่ยบอกแก้วอัดไว้เนี่ย ไปเปิดโค้ทุกวันก่อนถึงวันที่สิบห้านะมันมีสิ่งบอกเหตุหลายอย่างจักรวาลก็เปลี่ยนนะผ้นะาทิศเปลี่ยนพระจันทร์เสี้ยวนิดเดียวนี่ทรงกฎได้นะช่วงไม่กี่ปีมานี้เปลี่ยนโลกร้อนขึ้นไม่ใช่กรีนเฮาส์เอฟเฟกตอย่างเดียวนะนะเราอยู่ในกล่องผาทิศเองก็ร้อนขึ้น จิตใจมนุษย์ก็เล่าร้อนขึ้นเพราะมีกิเลสการแข่งขันยืแย่งคุยกันไม่รู้เรื่องทั้งโลกแล้วล่ะศาสนาก็ทะเลาะ ก, กันสงรามศาสนาก็กำลังเกิดขึ้นแต่บังเอิญที่นี่หลังจากจิตพ่อกูเมื่อวานนี้ทั้งวันนะองค์ประธานนี้มีพลังมากเหลือเกินนะตอนนั้นพ่อกูจดจอมีแต่ว่าเออมีทางไม่ใช่ทําให้ไอ้โปรแกรมที่พ่อคูบอกะนะนะ จะเป็นเหมือนฟิตเน็อะไรอะไรเนี่ยเขาไม่ให้พระครูทำโอ้ยอันนี้ไม่ยากเน่ะเอาม่านปิดก็ได้ไม่ต้องเห็นนะใช่ไหมล่ะแต่มองไปเอาไม่ชีไปซ่อนไว้ที่ไหน <c oughs> ครูบาอาจารย์ทั้งก็ยังอยู่ในมุมของท่านอยู่จบเลยไม่ต้องพูดถึงเหมือนเก่าแต่ขอร้องทุกคนให้ความร่วมมือนะอย่าพยายามพูดถึงเรื่องสภาวะธรรมเดี๋ยวมันจะเลอะเรือนบอกแล้วเห็นอะไรก็เบี่ยงทิ้ง เมื่อเราเห็นเป็นเฉพาะตัวเนี่ยเราก็เรียนรู้กับจิตเรานะทำแต่เรื่องเก่าๆเรื่องเก่าๆอย่าไปคิดว่าอยากไปก้าวหน้าเราฟิตเน็ฟิตแต่แต่เรื่องเก่าๆก็ก้าวหน้ามันก็แข็งแรงขึ้นไงก็แค่นั้นก็พอทําไปเรื่อยๆนิพพานไม่ได้อยู่ใกล้ๆนะมันอยู่ข้างในเตรียมเราแล้วแล้วก็เดินทางทุกวันทุกวันทุกวันเอ๊ะอันนี้อะไรวะเอ๊ะอันนี้อะไรวะเราไปขี่โม้ขี่คุยเนี่ยเขาถึงบอกไปว่าอย่าอวดอุตรีมนุษยธรรม แม้กระทั่งเรามีความจริงพูดไม่ก็ไม่ควรพูดเพราะว่าศาลเขาไม่มีเขาเขาไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่าเห็นไหมอย่าไปพูดให้มันสับสนไม่ใช่เพราะครูไม่เคยเตือนนะแต่จิตเนี่ยตอนนั้นมีแก๊งหนึ่งในศูนย์อะ่ะโอ้เป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่หูทิพตาทิพมดไปกระสิบกันเบาๆจนพ่อครูได้ยินอย่าเชื่อพ่อครูนะสิ่งมหาสัจจ ร, รย์วิเศษนี้จะไปเหวี่ยงทิ้งทําไม ไม่เชื่อเดี๋ยวเดี่ยงหมดแต่ละคนมึงเข้าไปออกไม่ได้เลยนะหลังจากโปรแกรมนี้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเห็นหตอนเช้านี่ห้าโปรแกรมนี่พวกครูใช้เวลาสั้นๆเตรียมพร้อมร่างกายจิตใจแล้วก็อารมณ์ตอนสายปุ๊บยืนเดินนั่งนอนไม่พิจารณาไม่ตัดสินยืนเฉยๆ ไม่ต้องไปเพ่งที่ท้องที่หัวที่แม่งแปะโป้องอะไรก็ช่างไม่ต้องทำอะไรแต่ไม่ค่อยอยากทำกันไงแต่ช่วงหลังโค้กเขาขาดโปรกแกรมนี้นะเพราะสถานที่มันแคบแต่ตัวใหม่เพราะครูยังบอกว่าอียบทสเหรืออียบทสามพะเดินแล้วนี่มันก็เดินกันไม่สะดวกยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นอนอยู่ที่เก่านั่นแหละเพราะที่มันไม่กว้างเหมือนแบบนี้ เราดาัดแปลงได้ไม่ต้องขอให้มันเกิดนี่ถึงแต่ทุกคนมาฝึกว่าชีวิตเรานี่ยคิดคิดตลอดทําอะไรก็วางแผนกําหนดควบคุมฝึกสัมมาถากมาฐานยังต้องเพ่งต้องมีการกระทําอยู่อันนั้นไม่ได้ผิดนะมันเป็นสัมมาถากรรมฐ า, านมันเป็นการฝึกต้องเพ่งที่ฐานใดฐานหนึ่งให้มันสงบบางคนพูดแม้กระทั่งว่าอู้ฉันปลอดภัยละฉันมรุ่นธรรมละนะฉันสงบสงบว่างวางคนนี้ก็ส ะ, สะอาด นะคนนี้ก็สว่างสว่างคนนี้ก็ว่างแต่มันไม่ยอมวางกันวางความสงบซะวางความสะอาดซะวางความว่างซะยังมีผู้ไปติดสงบสว่างสะอาดอยู่มันเป็นสภาวะธรรมหนึง่งถ้าไม่ศรัทธานะใครๆก็ติดไง ชีวิตวุ่นวายมากวุ่นวายโอ้มันสงบขนาดนี้ทำไมทำให้ท่านเบี่ยงดิ้งล่ะแล้วผ่านสมมา ม, มาแล้วจนวิปั ส, สนาเราไปไหนแล้วรา ล, ลึกชาติไปตั้งหลายชาติกลับมานั่งเฉยเฉยนอนเฉยเฉอีกที่นี้เขามาฟิตเนสเอาเฉพาะจิตเอาอารมณ์จิตสงบร่างกายคุณไม่ได้อะไรงไงคุณไปสุดตรงกับกายภาพกับฐานกาย เห็นไหมครูบาอาจารย์บวเปั้งสาปีน่ะไปเจริญสติอยู่นั่นแล้วออกไปไหน็ อ, อกไปแต่งงานไงแล้วไปสุดตรงข้างนอกพอเข้าไปในจิตก็ไปสุดตรงอีกมันสนุกดีว่าเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ก่อนที่พ่อครูจะเซตอัพโปรแกรมนี้ไม่ใช่คิดเอา ม, มีอารมณ์จะไปทำอย่างนั้นไม่ใช่นะ เพราะกูเห็นขึ้นจั ก, กรวาลเห็นขึ้นโลกเห็นขึ้นมนุษย์ตอนนี้เนี่ยอารมณ์เขาเป็นยังไงมีแบบไหนบ้างที่จะจัดการของเขาไอซี IC, โปรแกรมนี่มันถึงเกิดขึ้นไอ้นี่จะเลือกโปรแกรมที่ฉันชอบชอบโปรแกรมไม่ชอบกูก็ไม่ทำมันไม่คร บ, บวงจรชีวิตตัวต้องมายืนอยู่เฉยๆลองดูสิ เดินอยู่เฉยๆนั่งอยู่เฉยนอนอยู่เฉยๆสิมันง่ายๆ่ายไม่ต้องทำอะไรแต่มันยากที่สุดถ้าไม่มีขันติยือนะ น, อนอยู่เฉยๆเมื่อยมากนะนอนอยู่เฉยก็เมื่อยมากกนอนนอนอยู่เฉยไม่ต้องออกกำลังกายมันบอกเมือ่อยๆถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันจะเกิดวิปัสนาอันนี้ไปกดอยู่ให้มันสงบสงบ ไปกดอารมณ์ไว้คุณก็พลาดโอกาสในการเห็นรูปนามมันเกิดดับยางไงคุณไปกดไว้ทำไมพวกครูพูดบ่อยๆแต่ไม่เคยฟังแล้วก็เอาไปคิดนะสันสติกั้นบังอันนี้จังตัวสันสติตึ๊บตึ๊บึบบอยู่ึงสิวซ้ายทิวขวาเนี่ยโอเคจับตรงนี้เนี่ยมันก็เต้นอันนี้มันเต้นมันจากหัวใจมันเต้นนะ ี้ตัวสันติมันวิ่งไปทั่วล่างเลยที่มันอยู่กับจิตปัจจุบันนี่มันเป็นพลังงานของจิตมันไปกระตุ้นภูมิคุ้มกันมันเกิดแต่เวลาเราตายปุ๊บจิตมันคงขี่จรวดไปเนาะพลังสันตินี่เป็นตัวขับเคลื่อนมันไปสันติเป็นตัวสืบเนื่องของการเวลาระหว่างอดีตปัจจุบันไปอนาคตมันเป็นพลังงานอย่างหนึ่งดับมันไม่ได้ เรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันรูปนามเกิดดับเนี่ยพลังสัญจติทำให้มันเกิดมันดับถ้าคนนี้ตายปุ๊บเนี่ยจิตมันออกจากร่างแล้วไม่มีพลังหัวใจทำไมไม่เต้นสมองทำไมคิดไม่เป็นรีบผ่าตัดเอาหัวใจตรงนี้ไปให้อีกคนอื่นเนี่ยที่มันยังไม่ตายทำไมมันเต้นขึ้นมาอีกเพราะมันมีพลังจิตพลังสัญจติทาให้มันเต้นนะ ทีนี้มันเป็นพลังตามธรรมชาติเราดับมันไม่ได้เรามีหน้าที่มีสติที่เร็วกว่ามันเสียงด่าเราคือรูปมันด่ามาปุ๊บไอตัวได้ยินคือนามมันเกิดก็ดับไงแต่เราไม่เห็นตอนมันดับรูปเกิดป๊บเวทนาเกิดเพราะสันติมันเร็วพวกครูเคยบอกแล้วว่ามีคนถามพระพุทธองค์ว่า มีสวนมะม่วงเนี่ยคนอื่นมามาต่อยได้ไหมพระ อ, องค์ไม่ได้ถ้าขโมยต่อยก็เป็นรักขโมยไงแต่ถ้าคุณจิตไม่บริสุทธิ์คุณก็ไปขโมยเพื่อไปสนองตัญหาของคุณไงสวนมะม่วงนี้ของของขอ ง, ของพระ อ, องค์พระ อ, องค์จึงมีสิทธิ์แต่พระ อ, องค์แน่นอนไม่เอา พ, ก, พกเขาพกเขาหอดพระ อ, องค์ปลูกก็เพื่อเพื่อจะให้สัตว์โลกพ้นทุกนั่นแหละ และเรื่องจิตวิญญาณต้องระวังสัมรวมระวังไงมันเผอปุ๊บมันตีหัวเราเลยเลยไม่ใช่ผิดนะมันเป็นไปตามกรรมไงกรรมที่เราฝึกให้เรามีกิเลสแบบนี้แล้วก็สนองมันแล้วก็ต้องต้องเผอเลือเราก็ต้องถูกมันตีหัวแต่ถ้าจับศรัทธาไว้พอฟื้นปุ๊บเนี่ยก็ต้องทิ้งมันไม่ใช่ยึดมั่นถือมั่นกับว่าเออมันดีมันดีนะเคยมีลัทธิหนึ่งมาเยี่ยมพระครูเนี่ยเอารถมาเกือบ20่สคันรถเลยเอามาทั้งสำนักเลยไง ตอนนั้นยังไม่มีศูนย์บาลาน่อยนะไปเยี่ยมพระครูที่ไล่แหลมทองมีนักบวชคนหนึ่งเ้าก็ถามพรอครูว่าพ่อครูยึดหลักอะไรพ่อครูบอกพ่อครูไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านบอกไม่ยึดมั่นถือมั่นพรอครูขึ้นต้นไม้พรอครูก็ตกลงมาคล้ายใช่ใช่ไหมพ่อครูบอกหลวงพี่ก็กาะอยู่ตรงนั้นแหละขึ้นต่อไปได้หรือไม่ เรายึดเนศินในแนวทางเดินอย่างมีสติแล้วก็ก้าวไปพราะครูก็เรียนท่านว่าสมมุติว่าสมมุติว่าฝั่งน้นเป็นนิพพานเราต้องมีเรือเนี่ยเปรียบเสมือนศีลเราต้องมีพายนี่เปรียบเสมือนสมาธิเราต้องมีเข็มทิศเปรียบเสมือนปัญญาถึงจะข้ามฝั่งเมืนเราลงทางถามว่าเราถึงฝั่งแล้วเราจ ะ, จะแบกเรือขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเราคิดว่าเรารู้นะเราก็รู้แค่นั้นไง ศีลเนี่ยไม่มีไว้ให้ไปจับผิดคนอื่นศีลไม่มีไว้ให้ยึดมั่นถือมั่นให้ยึดเป็นแนวทางเดินเพื่อเตือนสติเราไม่ไปทําชั่วตอนนี้เอาศีลมาทะเลาะ ก, กันจับถูกจับผิดกันเนี่ยมันมันขัดวัตถุประสงค์ของพุทธเจ้าแต่พ่อครูไม่เคยเถียงกับใครแต่พ่อครูมีหน้าที่ บอกพวกเรานี่จากเสียสละเวลามาแล้วถ้าพ่อคูไม่บอกพ่อคูก็ไม่ทําหน้าที่แล้วจะมาทําไมแต่หลังจากบอกแล้วกูปิดหูปิดตาอย่าไปฟังนะเพราะมันดีดีไงมันวิเศษวิเศษไงมันสะอาสะอาดมันสว่างสว่างมันสงบสงบมันว่างว่างไงเห็นไหมผู้เจ้ายิ่งใหญ่ไหมถ้าไม่จับศรัทธาไว้เนี่ยเสร็จหมดเสร็จนั้นไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดไม่เกี่ยวกับถูกผิดมันเป็นกรรมไง กรรมที่เราฝึกเรามีอนุสัยแบบนั้นน่ะเห็นยังมีความอยากอยู่อันนี้ก็พูดให้กระจ่างพวกคูไม่ได้วิจารหลือว่าไอ้ทำแบบนั้นมาไ ม, ไม่ไม่ว่าดีไม่ดีไม่มีไม่เกี่ยวมันเป็นอุบายวิธีอย่างหนึ่งแต่พวกเราต้องรู้กาละเทษะว่าสถานที่ตรงนี้เนะ้่เามาทำอะไรดีที่สุดตอนนี้เาไม่ต้องว่า ที่ศูนย์กรุงเทพไม่มีการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วตรงโค้ตรงไรธรรมศรีบีก็ไม่ใช่ศูนย์ปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับศาสนาไงพอพูดเรื่องสภาวะธรรมปุ๊บมันก็ศาสนาไงเตือนเตือนตือนแล้วก็ยังยังทำแบบนี้อยู่นะมันถึงเวลาจริงๆถ้าเรารู้โลกอย่างแจ่มแจ้งแล้วว่ามันมีสิ่งบอกเหตุแล้ว ยังนั่งเออระเหยเหมือนโรงเรียนเหมือนกันเออระเหยนะเหมือนช่างดัดผมเหมือนกันถ้าไม่อัปเดตตัวเองน่ะอีกห้าวันข้างหน้าเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เรื่องจิตวิญญาณเหมือนกันถ้าไม่สำรวมระวังอะเผลอเลอะปุ๊บเนี่ยบางทีพลาดครั้งหนึ่งตกเหวไปตายนะเทวอีนั่นแหละ สมัยก่อนเขคุยกับพระครูมากเลยเพราะว่าคนตะวันตกข้อสงสัยเยอะเขาบอกว่าถ้าเขาเขาไม่หายสงสัยเขาก็ไม่ยอมปฏิบัติงมาวันแรกนี่ถามพระครูครึ่งวันนะพรอครูไม่ต้องทําอะไรถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบถามแล้วก็ตอบเฮ้ยไม่ใช่เรื่องแล้วบังเอิญลักขังช่วยทางขัวเขาตีกังไปกินข้าวเที่ยงแล้ว <c oughs> บังเอิญวันนั้นประแขทําก๋วยเตี๋ยวนะพ่อครกูก็ถามว่าเธอรู้หรือเปล่านี่เขาเรียกว่าอะไร คนไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวถ้าเธอถามพ่อครูว่าอร่อยไหมพวว่อคุบอกอร่อยรสชาติยังไงมันหวานได้หนึ่งเค็มได้หนึ่งเปรี้ยวได้หนึ่งคุณรู้ไหมทําไมไม่ชิมดูน่ยไม่ต้องเก็บตังค์ด้วยมันบอกไอ้เกสิเออเกสิไปปฏิบัติซะมัจะเถียงกันอยู่ตรงนั้นแหละพวว่อคูเจอนะักวิชาการมาเยอะแยะเลยแล้วเร็วนี้ก็เจอนี่ยแหละเพราะว่าโอ๊พวว่อคุกราบขอบคุณมากเลย ทำให้พระครูตัดสินใจเร็วขึ้นจะได้ไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องพวกนี้โมจะตั้งโจทย์เอาภาษามาโถกกันว่าเราไม่ได้เกิดมาเพื่อยกตัวอย่างให้ฟังนะเขาๆนะไม่มีเจตนามันเป็นมันเป็นเกิดปัญญาสำหรับเราเพราะพรอครูบอกว่าภาษามันหยาบเกินไปนะปุ๊บปิดจิตเลยเพราะอาชีพเขาอยู่กับภาษาเขียนหนังสือขาย พ่อครูลบหลู่ภาษาเหรอฟังให้มันจบก่อนถ้าลบหลู่พ่อครูใช้ภาษา น, นี่ภาษาไงนี้ภาษาไงไม่ฟังอาจารย์อ้อยก็บอกเป็นนะบางทีฟังพ่อครูเนี่ยมันไม่เข้าใจยากนักวิทยาศาสตร์เป็นแบบนี้นะฟังปุ๊บก็ไปคิดตัวนี้แล้วพ อ, พอพูดคําอื่นไม่ได้ยินเลยบางครั้งคุณฟังภาษาคุณต้องฟังให้มันครบ เพราะคูบอกภาษามันหยาบเกินไปที่จะอธิบายสิ่งนั้นพูดมาตั้งนานแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าภาษามันไม่ดีเขาก็บอกว่าลบหู่ภาษาได้ยังไงภาษามันเกิดขึ้นตั้งแต่กี่ล้านปีเห็นไหมนกมันร้องจิบจบจิบจบจิบนะ่ะภาษาเป็นนกมันส่งเสียงเป็นสัญญาณเตือนภยัยเฉยๆสัญญาณนะภาษามนุษย์ใช่อย่างนั้นเหรอยกตัวอย่างพราะครูยกตัวอย่างว่ารู้จักหลว พวกเรารู้จักพระ อ, อาจารย์พุทธทาสไหมทุกคนดูใช่ไหมท่านเป็นต้นตํารับตัวกูของกูใช่ไหมเราทำไมไม่มีความรู้สึกท่านเลยไงเพราะบารมีท่านไงลองพวกเราลองพูดสิอ่ะภาษาเหมือนกันไงทำไมโกรธอ่ะภาษามันนี่มีทั้งคุณมีทั้งโทษ ถ้าไม่มีปัญญาจะใช้ภาษาทะเลาะ ก, กันน่ะอันนี้พูดไม่ใช่ว่าลบหลู่ใครนะทำไมพกคูยกตัวอย่างดอกเตอร์บ่อยๆไม่ใช่ดอกเตอร์เป็นคนไม่ดีนะพวกคูพูดถึงความเป็นด็อกเตอร์วิชาการที่เขาเรียนมาเขาได้เป็นด็อกเตอร์นั่นจบปริญญาเอกทางภาษาศาสตร์ออกมาคุยกันไม่รู้ภาษานั่นไงภาษาไงเอาภาษามาทะเลาะ ก, กันไงแต่พกคูไม่ได้บอกว่าภาษามันไม่ดีมันเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเราเห็นไหม ถ้าเรามีปัญญาล้วก็จะยุจักใช้ภาษาให้ทุกคนเกิดปัญญาใช้ภาษาให้ทุกคนรักกันเข้าใจกันไงแต่ตอนนี้ยิ่งเรียนเยอะๆแล้วคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณจะไปเรียนทำไมฟังให้มันจบก่อนถ้าลบรู้ภาษาเพราะคุณจะไปใช้ภาษาทำไมเพราะคุณเป็นใบไม่ดีเหรอเนี่ยฟังครึ่งหนึ่งพอบอกว่าสติไม่ใช่พระเอกนะไม่ใช่เป้าหมายสูงสุด ไอคนฝึกสติอยู่เนี่ยฟังแค่นี้ปุ๊บกูก็วีนแล้วปิดประตูเลยไม่ฟังต่อคุณลบหลู่สติเหรอเอาอีกแล้วบอกฟังให้มันหมดก่อนสี่พวกกูเจออย่างนี้ยี่สิปีแล้วแล้วถามพวกกูคืนว่าเอาแล้วสติปัญญามันต่างกันยังไงเขาเข้าใจว่าถ้ามีสติปุ๊บเนี่ก็คือปัญญาก็คือจบพวกกูบอกว่าโจรก็มีสติโจรก็มีสมาธิ มันก็มันพ้นไม่สมเด็จนะแต่มันไม่มีศีลมันมีปัญญามันถึงใช้สตินั้นไปเบียดเบียนกันเป็นมิจฉาสติไงแล้วมันต่างกันยังไงปัญญาคืออะไรเขาคิดว่าเรื่องเดียวกันอ่ะศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาทำไมมีสติมีปัญญาล่ะถ้ามันเรื่องเดียวกันทำไมไปแยกเราเข้าใจว่ามีสติปุ๊บจบมีสติมีอยู่แล้วสติสาคัญว่าคุณใช้มันทันไหมทันอารมณ์หรือเปล่า เขาบอกว่าปัญญาคืออะไรมันแปลตรงๆไม่ได้หรอกพวกก็บอกว่าไม่ใช่ไปว่ารู้มากคือรู้แจ้งเห็นจริงว่ามันเป็นอนิจจังมันคือมันไม่ใช่อะ่ะแล้วสรุป ง, ง่ายๆว่าถ้าไม่มีปัญญามันวางไม่ได้คนวางได้เนะี่ยมีปัญญาอย่างยิ่งเปนวางทรัพย์สินเงินทองลาบยศสริรเสริญวางทั้งหมดเลยนะั่นแหละ น, นัคนมีปัญญาไม่ได้ไปว่ารู้มากอันนี้เป็นเรียนจนเป็นขยะเป็นกระบุงหมด ยิ่งเรียนยิ่งอัตตาเยอะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็อ้างพู้ทเจ้าอ้างผู้ทเจ้าอ้างพูเ้พเจ้าไม่เคยทำตามพู้เจ้าไม่วางอัตตาวางไม่ได้ไม่ได้ผิดนะแต่อย่าไปหลงว่าตัวเองถูกดีมากเพราะว่ายุคนี้เพราะกูเห็นชัดมายี่สกปีไงเอาเป็นว่าเพราะกูถึงเพราะกูรออยู่ สองปีไม่ใช่ว่าไม่ทำนะพ ก, กูก็ทำงานพ ก, กูนี่เตรียมความพร้อมของศูนย์นี่แหละมีเวลาวันหนึ่งพ ก, กูก็เตรียมวันหนึ่งเตรียมรอใครไม่รู้เราจะไปรอให้มันแก่ตายวันหนึ่งไม่ต้องทําอะไรทําไมล่ะเสียเวลาของชีวิตทีนี้ดูเหตุการณ์แล้วเนี่ยรอไปอีกชาติหนึ่งก็คงไม่ได้เอาสิ่งดีๆไปแบ่งปันมวลมนุษยเสียชาติหลังจากเห็นคําว่าฟิตเนสปุ๊บ พ, ก, พ ก, กูว่าเจอช่องออกไปแล้วทุกคนทําได้ วิชาอะไรวิชาหนึ่งสมมุติว่าเอาแม้กระทั่งโยคะเด็กมันทำได้หรือเปล่าอาจจะทำได้คนแก่ทำได้ไหมแต่ไอสิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยทุกอายุไขทํทำได้หมด easy happy freedom ใช้ภาษาสากลเพราะครู ต่อนี้ไปจะพยายามลีกเลด้งใช้ภาษาพุทธแต่ชาช้ภาษาธรรมภาษาธรรมดธรรมดาอย่าไปตั้งวิชาการภาษาพุทธปุ๊บก็มานั่งตีความมอันนี้คืออะไ ร, น, น, ออะไร น, นี่คืออะไรเนี่ยมันเสียเวลาเปล่ามิจะถูกบังคับว่าต้องไปนั่งถ้าใครเกิดมาชาตินี้เนี่ยไม่ได้ยินคําพูดพุทธเจ้าแล้วเนี่ยตกนรกพูดแรงขนาดนั้นนะ กูก็มานั่งดูเอ๊ะเราสี่ิปีเราไม่เคยได้เรียนว่าผู้เจ้าพูดอะไรเลยทํำไมมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ไม่ใช่ไปท่องจําสิ่งที่ผู้เจ้าพูดต้องทําตามที่ผู้เจ้าท <c oughs> ําพระองค์เองเจ้าชายจิรุษฐานี่ไม่เคยอ่านพระไตรปิฎกเลยเพราะมันไม่มีให้อ่านไงพระองค์เริ่มจากลองผูกลองผิดอยู่หกพรรษา ไปเจอทางสายกลางไงพระองค์เกิดมาในกองเงินกองทองอะไรเสพสุขก็ไม่พ้นทุกข์ไงพระองค์ก็เลยไปลองทุกขลณะกิริยาทรมานตัวเองดูอย่างมันก็ไม่พ้นทุกข์ไงถ้าพระองค์ไม่ลองตัวนั้นพระองค์ก็ไม่เห็นทางสายกลางไม่ใช่พระองค์ผิดนะถ้าไม่มีวันนั้นก็ไม่มีวันนี้เราบุญเยอะมากเลยไม่ต้องลองเกิดมาก็เจอคําสอนพระเจ้าอยู่ที่ว่าเราจะทํำไหม มีแต่ไปท่องจําท่องจําอยู่นั่นก็ไม่ทำแล้วไปแบกขยะสร้างหัวโขนขึ้นมาแล้วมันจะไปไหนล่ะมันเพิ่มบัตรตาไงพ่อคูว่ามันถึงเวลาจริงๆมันสุขอมจริงๆพ่อครูต้องอนุโมทนาสาธุทุกอย่างที่ให้พ่อคูได้สัมผัสนะพ่อคูทําอะไรทําจริงอยู่แล้วแต่จริงแค่พอดีนะพ่อคูเด็ดขาดนะ พราะคูเด็ดขาดอยู่ในความพอดีไม่ใช่สุดตรงไม่ใช่หย่อนยานก่อนจะทำอะไรพ่อกูไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะพ่อกูก็เดินไปสัมผัสจะไปสร้างในะพ่อ ก, กูไปเดินเดินเดินเดินเดินเดินเดี๋ยวมันก็วาดภาพให้พ่อครูเองว่ามันจะเป็นแบบนี้แต่เมื่อวานนี้เดินทั้งวันมันบอกว่าไม่ให้ทำ <c oughs> แล้วก็หยุดไงจะไปดื้อทไมละ่ะเออก็จบไม่เห็นมีเรื่องใหญ่เลย แต่บางคนไม่เข้าใจไม่รู้นิสัยพรอครูนะเอ๊ะคนค น, นนี้เนี่ยปิ้นป้อนกะล่อนพูดไปพูดมาบางทีพรอครูปุ๊บพระครูก็พูดให้คนข้างตัวดูอารมณ์เขาเป็นยังไงส่วนมากคนที่นี่พอพูดเขานิ่งเฉยๆหรอกเขาเชื่อมั่นในตัวพรอครูพูดนะเขาคุยกันบอกถ้าไม่ถึงวินาทีสุดท้ายมันยังไม่แน่นอนหรอกเห็นไหมพ่อครูสอนอนนี้จังทุกขังอนัตตานะ แต่มันไม่ใช่เปลี่ยนเพราะมันกระล่อนไม่ใช่มันไม่ได้ตัดมันไม่ได้ตกลงสัญญานะมีแต่เล่าให้ฟังว่าเออตอนนี้มันเป็นแบบนี้เดินไปเดินมาปึ๊บขึ้นมันเปลี่ยนก็บอกว่าฉันก็เปลี่ยนนี่แหละคนไม่ยึดมั่นถือมั่นถ้าเรามีอัตราเป็นลัทธินิกายไม่ได้ฉันต้องทําอย่างนี้อย่างนักวิชาการนะ มันส่งเสริมปลูกป่าทํายังไงรู้ไหมนะพวกคูมาทำารพ่อคูก็พ่กคูชอบต้นไม้อยู่แล้วไงมาส่งเสริมปลูกป่านะมีเลือกมาเลยมีต้นสักต้นอะไรที่ว่านะ่ต้องปลูกรัฐบาลให้ค่าดูแลอะไรเนี่ยนะเอาต้นสักมาปลูกให้พวคูเหมือนเอาฝรั่งมากินข้าวเหนียวนั่นแหละมันไม่ใช่บ้านมัน เสียงว่าบำมฮันหมดเลยกําลังจะโตปุ๊บเจอหน้าแล้งเนี่ยต้นศักมันฉลาดกว่าคนบางคนนะมันตัดอัยวะเพื่อรักษาชีวิตมันผีใบเพื่อรักษาต้นมันพอฝนมาก็ขึ้นใหม่อีกกําลังจะขึ้นนิดนึงเนี่ยแรงอีกแล้วสาสปีมันไม่โตเลย <c oughs> นี่แหละแล้ววิชาการไงแล้วไปนั่งคํานวณอยู่ในห้องแอร์ว่าเฮ้ย hey, ไล่หนึ่งต้องกี่ต้นกี่ต้นกี่ต้น บังคับทุกคนทําเหมือนกันหมดไอ้ต้นไม้ใหญ่ๆได้หลวงเตือนอยู่แล้วนะไอ้ที่มันมีอยู่แล้วจะไปเอามันออกละเปิืกไหมมันไม่ตรงต่อหลักวิชาการทํำลายต้นไม้ใหม่หมดแล้วไปปลูกต้นไม้น้อยๆยแล้วต้นไม้เศรษฐกิจเศรษฐกิจมันไม่ได้ปลูกป่านะมันตุดเพื่อเพื่อจะตัดปลูกเพื่อจะทําลายนะคนเราคิดได้อย่างนี้นะนี่คือวิชาการไงแต่ยุคนี้เราไม่เรียนวิชาการก็ไม่ได้ แต่แค่วิชาการไม่พอเราต้องฝึกให้เราเกิดปัญญาด้วยเราจะใช้วิชาการนั้นบริหารชีวิตตัวเองไม่ให้ทุกข์แล้วก็มีส่วนเกินเนี่ยแบ่งปันให้สังคมส่วนรวมอันนี้เขาเรียก ว, ว่าได้ทั้งเงินทั้งกล่องหอบกันไว้เดียวๆหอบไว้เดียวย ว, วันจะตายมาตายไม่ลงลืมบอกลูกบอกหลานว่าฝังอยู่ตรงนั้นฝังอยู่ตรงนี้สลึงหนึ่งก็เอาไปไม่ได้ ทรัพย์ภายนอกเราทุกข์กับมันคําว่าว่างไม่ได้ไม่มีนะพระเจ้าบอกต้องมีปัจจัยสี่ไงมีบ้านเป็นที่อยู่อาศัยมีรักษาโรคมีอะไรเนี่ยนอกนั้นส่วนเกินหมดเราก็เอาตัวนั้นไปส่วนเกินไปสร้างอริยทรัพย์ให้เราอันนี้เผาไม่หมดนะกี่พันองศา ก, ก็เผาไม่ไ ม, ไม่หมดนี่คืออริยทรัพย์มันก็ตามไปใช้อนาคตชาติ แต่ซับภายนอกน้ำท่วมมาไฟมากกูก็หมดตายพวกก็เอาไปไม่ได้ไงแล้วเรากไปทุกข์กับมันอีกไม่ใช่ไม่ให้มีนะถ้าจำเป็นต้องรวยก็รวยเถอะอย่าไปทุกข์กับมันถ้าจำเป็นต้องจนก็จนเถอะอย่าไปทุกข์กับมันเราไม่ได้เกิดมาเพื่อรวยเพื่อจนบางทีจนอยู่ดีๆนะสมัยก่อนพวกคูเห็นนะตายายคู่หนึ่งเนี่ย เออมีข้เหนียวปั้นหนึ่งชันป้อนเธอเธอป้อนฉันจิ้มปลาลานี่กูก็มีความสุขแล้วพอถูกรางวัลขึ้นมาเนี่ยไอคนนี้ไปมีกิก๊กไอคนนี้ไปเล่นไพ่ไปมีชู้ถ้ามึงจะรวยมาทําไมอันนี้คือรวยไม่เป็นไงเห็นไหมไม่ใช่รวยแล้วง่ายๆนะถ้ารวยแล้วบริหารชีวิตตัวเองไม่ให้ทุกเนี่ยไม่ใช่ง่ายนะบางทียากกว่าจนด้วย คำว่าชีวิตคืออะไรชีวิตคือเวลาอายุคือเวลาใครมีเวลาให้กับตัวเองมากที่สุดคนนั้นรวยชีวิตที่สุดตอนนี้รวยเงินแต่จนชีวิตไม่มีเวลาไม่มีเวลาเพราะเราถูกทุนนิยมมันครอบงำเราคิดนอกกรอบไม่ได้ไงใครจะว่าช่างรวยมันดีกว่าจนแน่เหรอือ ตอนจนๆลักกันมากพอรวยมามึงไปทา ง, งกูไปทางหนึ่งจริงเหลอแต่ถ้าคนรวยเป็นเนี่ยนะพวกคูเนี่ยบุญเยอะไงมันรวยตั้งแต่หนุ่มๆเลยมันก็เลยมีโอกาสทดลองหมดเลยกูจะสิ่งอะไรสิ่งหมดเลยไงบุญเยอะอีกทำให้มันไม่ตายไวเพื่อนฝูงตายหมดแล้วเป็นมะเร็งตายถูกเขายิงตายเพราะว่าเราเราเที่ยวแบบเกเรมาก ไม่งั้นจะไม่มีใครมานั่งอยู่ที่นี่นะบังเอิญบุญเก่าทําให้เรามีโอกาสลิ้มรสทุกอย่างเลยไงเรานะก็ไป ม, มีคําตอบว่าให้มันไม่ใช่พอมาปุ๊บไม่ต้องคิดทบทวนว่ามันใช่ไม่ใช่เพราะมันชัดเจนด้วยตัวเราเองนะยี่สิกปีมันไม่ก้าวหน้าไม่ถอยหลังก็อยู่ของมันอย่างนี้แหละแต่ศูนย์นี้เปลี่ยนแปลงมันเป็นเรื่องกายภาพเปลี่ยนแปลงแต่จิตพระครูมันจะเปลี่ยนได้ยังไงมันไม่มีคนให้เปลี่ยน ถ้ายังไม่ถึงตรงนั้นยังไม่ปลอดภัยอย่าประมาทมันน่าหลงทั้งนั้นแหละเราสะอาดกว่าคนอื่นไหมัมนสะอาสะอาดมันสงบสงบมึงไม่เคยเจอหรอกกูสุดยอดเลยกูเป็นผู้พิเศษแล้วมึงอย่ามาใกล้ตัวกูนะเดี๋ยวกูจะเปื่อนคนสะอาดจริงๆมันเป็นอย่างนั้นเลยนสะอาดยังมีกิเลส น, นะกลัวเปื่อนนั่นแหละอย่าประมาท นะเราเตรียมตัวตายทุกวันเพราะว่าเราตายแน่ๆให้พ่อคูดูดวงให้ไหมพ่อคูดูแม่นนะนั่งในที่นี่ น, ะนานๆกดตายหมดตายดีตายชั่วเท่านั้นเองถ้าไม่ฝึกเนี่ยมันตายไม่ลงมันจะทุกข์มากอย่า ก, กลัวความจริงผู้เจ้าบอกการเจริญมรณ า, านุสติเนี่ยเห็นไหมเวอร์ชั่นเราเนี่ยตั้งแต่เช้าสายบ่ายเยน็นมีทั้งสมถะวิปัสสนา เริ่มจากสมถะก่อนเออได้ยินเสียงที่หูมารู้ที่ใจมีการกําหนดใช่ไหมพอสร้างแรงเหวี่ยงขึ้นทีนี้มันอิสระแล้วมันก็วางฐานกายเข้าไปสู่ฐานจิตฐานธรรมแล้วออกมาทางกายภาพด้วยนี่คือมหาสติปฐานไงแต่ตัวเองไม่เข้าใจปุก็ไปเล่งๆ เ, เขาเข้าไปแล้วเนี่เอาออกไม่ได้ก็ไปดึงให้มันไปอยู่สมถะเหมือนเก่าแล้วไปติดสงบมันเป็นสงบชั่วครู่แล้วถ้าทํา สมถทนเนี่ยสูงสุดก็ฌานไงเกิดฌานเน่ยเกิดอภิน ญ, ญาต่างๆเห็นนู่นเห็นนี่แม้กระทั่งเห็นสภาวะสงบสะอาดสว่างอะไรนี่มันก็เป็นฌานอย่างหนึ่งเป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งครูบาอาจารย์เนี่ยยุคเราร้อยปีที่ผ่านมาเนี่ยพูดเหมือนกันหมดเราเห็นจริงๆแต่สิ่งที่เราเห็นมันไม่จริงมันเป็นอุปท า, านอย่างหนึ่งจิตเดิมมันสร้างนิมิตมามาสอบจิตปัจจุบันว่า คุณกล้าเบี่ยงทิ้งไหมเรื่องอะไรเวี่ยงทิ้งฉันส ะ, สะอาดฉันสงบสงบฉันว่างวางะแต่ฉันไม่ยอมว่างฉันยังกอดมันไว้อยู่ระวังนะมันเหมือนเส้นผมบางครูเขานะเพราะครูยี่บหปีนี่ไม่เคยเอาสมองโ ง, โง่ห6สกว่าปีเพราะครูไปสอนจิตเลยนะที่พูดนี้ก็พูดประสบการณ์ทั้งทางโลกทางทําให้ฟัง ที่เราทำนี้ไม่มีแม้แต่หนึ่งสเต็ปเลยให้ไปไปเพ่งดูไปกำหนดรู้ไปพิจารณาแล้วก็คือว่าไม่เอาผู้เจ้าสอนสามอย่างทำดีละชั่วขัดเกาจิตให้ผ่องใสมีตัวไหนบ้างที่ว่าให้ให้มันสงบไปฝึกกดให้มันสงบไปกดสปริงนะกดกดก ด, กดมันก็สงบพอเผลอพบเด้งผังก็เด้งไง ไอการขัดเกาจิตให้ผ่องใสเหมือนเราไปทําลายสปริงนี้ซะพลังไม่ถึงมันดีดนิ้วหน่อยก็ขันตินั่นแหะใช้ขันติมันเหนื่อยก็ต้องมีศรัทธาต้องมีวิริยะมันขี้เกียจก็ท่านั้นนี่เอามาใช้หมดไงมันก็เกิดบารามีมาด้วยพร้อมๆด้วยกันอันนี้เราติดกิเลสความอยากที่มันเป็นกรรมที่เราสร้างความอยากนี้มาชอบวิจัยเอ๊ะ เห็นตรงนี้มันคืออะไรวะมันจริงไม่จริงวะต่อไปใครมาถามพ่อครูต้องไปรีจิสเตอร์ลงทะเบียนก่อนจดไว้เลยจะถามกี่คำถามคำถามหนึ่งสองพันแล้วถ้าใครเผลอไปตอบนะต้องจ่ายสองพันเหมือนกันเพราะเราชอบเงินไงเราก็ต้องเอาเงินนี่มาลงโทษเอาไปเลี้ยงเด็กยากจนมันจะได้ดักนิสัยเรา การปฏิบัติธรรมคือการฝืนกิเลสไม่ใช่สนองกิเลสจาไว้การปฏิบัติธรรมคือการทำหน้าที่หิวก็กินง่วงก็นอนเรามีหน้าที่ดูแลสุขภาพเราหลงป่ามีหน้าที่เดินออกจากป่าไม่ใช่อยากรู้ตามกิเลสลังเล ส, สงสัยหนึ่งก็เป็นนิวรณ์ไงนิวรณ์เกิดจากกิเลสเรามีหน้าที่รู้เท่าทันมันไม่ใช่ไปนสนองมัน นะอยู่ในนี้หมดแหละทั้งสัมมาทิพั์สนามันไม่ได้แยกออกกายเวทนาจิต ท, ทำเป็นมหาสติประทานจริงๆแล้วเอาละเซสชั่นเช้าสายบ่ายเย็นนนตอนเช้าเนี่ยเตรียมตัวร่างกายจิตใจเหมือนสุนัขมันตื่นขึ้นมาปุ๊บมันนอนทับตัวเองทุกตั้งคืนกล้ามเนื้อเส้นเอ็นมันก็สั่นเช็คจริงเช็คช็คเช็คให้มันตื่นปลุกสติสมาธิขึ้นมา บางทีมันเหา่ามันหอนมันเครียดไงมันก็ปล่อยคลายอารมณ์เครียดมันถึงไม่เป็นมะเร็งไงอันนี้เตรียมร่างกายเดินทางไกลหน่วยยืนเฉยเดินเฉยนมาฝืนกิเลสเราเนะ่ยกิเลสมันชอบไหมตื่นมากูก็คิดทาอะไรก็ต้องวางแผนต้องควบคุมลองยืนเฉยเดินเฉยนั่งเฉยนั่งเฉยอันนี้เราดึงกับเร า, มายม่เป็นธรรมชาติทำหน้าที่ไงไมีหน้าที่ยืนก็ยืนสิ ไปเพ่งดูทําไมมากเรื่องทําไมอยากรู้อะไรเหรออยากเห็นอะไรเหรอเห็นอะไรก็เป็นอนัตตาแล้วไงอนัตตาพักผูไม่ชอบอ่ะที่ไปเรียกกันว่าไม่ใช่ตัวตนหรือไม่มีตัวตนอะไรนะมันมีนี่ขันห้าเรามีอยู่แต่มันไม่ใช่ตัวตนที่แน่นอนมันถ้ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่ะอะไรตั้งอยู่อะไรสลายล่ะมันมีรูปนามันมีนม แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันเนี่ยเราว่างจากความมีนั้นคำว่าว่างเนี่ยว่างจากความมีนั้นไม่ใช่ไปนหนีมันไปอยู่สักพักว่างว่างอันนั้นมันหลอกนี่คือความอยากไงก็ติดบ่วงไงนะเราอยู่ในทางโลกเนี่ถ้าเราทำธุรกิจนี่ถ้ามันไม่แต่งตัวมาสวยๆหล่อๆไม่ขับรถแพงๆมามันก็หลอกเราไม่ได้นะมันต้องมาแบบเนียนมาก เราก็เหมือนกันนะจิตเรารู้อยู่แล้วว่าไอ้จิตปัจจุบันมันหลงกิเลสอะไรมันหลงที่ใจใจมันชอบอะไรมันกลัวอะไรเดี๋ยวมันก็สร้างนิมิตมาสอบเราเห็นไอเอาแค่เรื่องสงบปุ๊บก็ติดแป๊กอยู่ตรงนั้นหละก็คิดว่ากูสงบสงบเวียงทิ้งนะไม่งั้นเราจะเสือมันจะมากินเราพอเวลาชีวิตเราหมดเนี่ยเราไม่มีโอกาสเดินทางต่อ เดินออกจากป่าให้มันเร็วที่สุดเวลาเราน้อยนะไม่รู้หรอกพ่อกูนตทไวมันไม่ไม่ยอมดูเนาะดูว่ามันค้างอะไรอยู่เปล่าบดเวลาพวกกูแล้วนั่นเพราะเขาคืนนี้ต้องพูดมากหน่อยหนึ่งเพราะว่าจะสื่อสารให้ทุกคนไม่ได้มาเนี่ยเข้าใจว่าเอ๊ะพวกกูทาอะไรที่จะเปิดก็เปิดที่จะปิดก็ปิดที่จะเปิดก็เปิด ลูกกระเปิดลูกกระปิดก็มันไม่เที่ยงไงก็รูปนามไงเราไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นนะเออมื่อคืนถ้าว่าพระพุทธรูปนี่ไม่บอกพระครูเนี่ยพวกเราโดกนกระทบแน่แน่พระครูจะเอาไม่ชีไปซ่อนที่มุมไหนมุมหนึ่งก็ขอประกาศว่าวันที่15้ามกราคมห้าปิดศูนย์ที่โคอยู่ฮะนะวันที่16 เพราะกูจะเดินทางไปเนื่องจากเป็นวันครูนะตอนเช้าเราก็มีการไหว้ครูแล้วก็เสร็จเพราะครูก็บรรยายแล้วก็ถือโอกาสเปิดศูนย์พัฒนากายจิตถ้าเป็นฝรั่งก็คือ Body m ดี d Fitness Center แล้วก็ลองปฏิบัตินะลองสถานที่แล้วก็วันที่17เพราะมันเจอเสาร์อาทิตย์พอดีนะก็บอกว่า วันที่17เนี่ยก็พ่อครูก็ประกาศจัดตั้งชมรมพัฒนากายจิตเพื่อสุขภาพนะบอดี้มายฟิตเน็คลับต่อไปจะเรียกสมาชิกเรียกคำว่าสมาชิกของชมรมนะแล้วพ่อครูมอบไปแล้วเนี่ยสมาชิกสมัครแล้วก็เลือกกรรมการกันเอง มีหน้าที่ดูแลองค์กร น, นั้นให้มันเป็นสโมสรของสมาชิกทุกคนเครียดปุ๊บฉันก็ไปนะที่แรกว่าจะให้ไปนอนด้วยดูแล้วว่าเราจะเอาไม่อยู่คนถือวิสาสะก็มีแล้วก็แถวนั้นมันก็มีชุมชนด้วยเดี๋ยวจะไปวุ่นวายเขาแต่พ่อกรูก็เตรียมสองห้องข้างบนสั่งเขาติดแอร์แล้วละ่ะบางทีว่าองค์กรใดที่เข้ามาเป็นกลุ่มเป็นก้อนซึ่งมีที่มาที่ไปชัดเจนละ่ะก็ให้เขาพักแรมตรงนั้นเข้าค่ายได้ นะแรกๆ ก, ก็ทําแบบนี้ก่อนนะแล้วต่อไปจิตอาสาที่ใครจะต้องการพิจาตรสาต้องสมัครมาก่อนต้องมาอยู่ศูนย์สักพักหนึ่งนะต้องเคลียร์ให้มันแม่นแม่นไม่ใช่ไปติดสงบสะอานสว่านตัวนั้นอีกนะะนั้นยังเป็นไม่ได้เพราะมันเป็นแค่ฟิสเนตมันไม่ใช่ศูนย์ปิจิตรภาแม้กระทั่งศูนย์เรานี่ต่อไปก็ไม่เอาหลีกเลี่ยง ก, การพูดเรื่องสภาวะธรรมอย่าอวดอุตตรีมุนทิชยธรรมอย่าสนองความอยากตัวเองมันเป็นเรื่องเฉพาะตัว เพราะเรไม่เข้าถึงนาณาจิตตังโอ้มันดีไว้เราก็ยัดเยียบมาใหม่ใช่ไหมอ้าวจับมันทําเหมือนเราเลยเป็นหุ่นยนต์อ่ะมันมันเป็นแค่วิชาฝึกสมาธิสติมันไม่ใช่มัคคจิตมัคคจิตต้องต่างคนต่างทำแต่เราต้องฝืนตัวเองนะอย่างคําว่านาณาจิตตังตังคืนเนี่ยมันเป็นสติปัฏฐานสคือมหาสิทฐามันรวมกันเป็นหนึ่งเนี่ยอย่าเข้าไปลึกมันอยากไปลึกต้องไม่เข้าอันที่เราฝืนมันนั่นแหละคือสติ แล้วฝืนมันบ่อยๆเนี่ยเราก็มีกําลังอินทรีย์พรรลังเราก็แก่กล้าขึ้นตอนบ่ายเวียงเข้าไปนั้นมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นบุพเพนิวาสานุสติญาณมันสามารถระลึกชาติได้แต่แกไปหลงติดมันถ้ายังไม่แน่ใจอย่าพึ่งเข้าไปนะ่ยรวมพลังก่อนพอเข้าไปปุ๊บมันจะเข้าไปอย่างสุ ข, ขุมรอบคอบมันจะไม่ถูกอารมณ์นั้นลากถูกรูดถูกกังไปจนเหมือนคนขาดสติไม่ใช่อยากรู้อยากเห็นนะตอนนี้ถามว่า เข้าไปได้หรือยังลึกแค่ไหนไม่ต้องเข้าก็ได้ด้วยนะเขาตามลมหายใจเฉยๆเขาก็บรรลุทำได้นะแต่ของเรานี่พราะกูเปรียบเทียบข้ามหน่อยไม่เป็นไรเนาะวันนี้ขอสักวันหนึ่งกระต่ายกระเป่าเต่ามันเดินไปเรื่อยๆเหมือนเหมือนรถขายองค์มันวิ่งเร็วไม่ได้กลัวองค์แตกกระต่ายมันวิ่งเร็วมาก มันชล่าใจว่ามันชนะแน่กูก็ไปนอนหลับเดี๋ยวเต่ามันก็แสงเต่าก็ช้าไปกระต่ายก็เร็วไปไม่ใช่ทางสายกลางพวกครูดึงกระต่ายกับเต่ามาบวกกันไอ้นี่เพิ่มขึ้นยิ่งลดลงเหมือนตอนนี้เนี่ยก่อนพิทักษ์เรากำลังทํากับศูนย์โรงเรียนที่ศูนเหมือนกันโรงเรียนที่ศูนย์ต้องขึ้นมาเป็นเต่าเพิ่มสปีดหน่อยหนึ่งก่อนพิทักษ์ ดกรก้อยเขาก็รู้ว่านั้นแรงมากผลงานดีแต่ว่าเครียด ก, กันไปทั้งบ้านทั้งเมืองเขาก็ลดตรงนั้นลงมาเราต้องหาทางสายกลางนะอันดับแรกคือเราต้องแข็งแรงขยันเรียนขยันหาเงินปุ๊บสุดท้ายเอาเงินมารักษาโาครคภัยไข้เจ็บมึงจะหาเงินมาทําไมนะเวอร์ชั่นที่พ่อกรูทำเนี่ยมันผสมกันระหว่างเต่ากับกระต่ายมีทั้งสมรรถะ วิปัสสนายกตัวอย่างว่าสมถานิเปรียบเสมือนเป่าฝึกสมถาก็บรรลุทําได้นะคือไปเรื่อยๆต้องปีกหนีไปอยู่ในป่าไม่ต้องไปอะไรกระทบเลยเนี่ยนะสะสมแต้มไปเรื่อยแต่สําหรับยุคนี้พวอคูว่าตายก่อนเพราะสิ่งเล้าใจกระแสกรรมมันก็มาแรงเห็นไหม effect. เราเข้าไปจิตเร็วมากเห็นไหมพอมันเร็วเกินไปปุ๊บมันก็ไม่มีฐานก็ผูลู้ถูกังไงเวอร์ชั่นนี้ถึงเกิดขึ้น ชอบโปรแกรมไหนก็ปฏิบัติไม่ชอบก็ปฏิบัติเพราะมันจะเสริมกำลังเราเหมือนสว่านเนี่ยเรามีสว่านธรรมดาเราเจาะกำแพงปุ๊บไปเจอหินมันติดเจอเหล็กติดนะพราครูเพิ่มโร ต, ตรี่ให้มันตะตะตะตะ ต, ะตะพลังหมุน ยังเราเจาะน้ำมันแรกเขาต้องกระแทกก่อนกระแทกหินเบื้องต้นนี่กระแทกแต่แรงกระแทกมันลงไปลึกไม่ได้พอลึกปุ๊บมันต้องใช้แรงหมุนพลังงานทุกอย่างต้องหมุนโลกหมุนรอบตัวเองหมุนรอบดวงอาทิตย์เราใช้หลายๆพลังเนี่ยมารวมกันทีนี้มันติดปุ๊บมันกระแทกมันหนุบมามันก็เจาะเข้าไปใหม่มันไม่ติดตอนนี้เข้าไปลึกจี่ร้อชาติพันชาติมันก็ไม่ติดถามว่าจําเป็นต้องเข้าไปไหม ตอบว่าไม่จำเป็นแต่ถ้ามันจำเป็นต้องเข้าไปเราก็ได้เรียนรู้แต่อย่าไปติดมันเราไม่ต้องไปสร้างเวทนาขึ้นมาใหม่นั่งทรมานต่างต่าไปพิจารณาเวทนาเวท น, นาเก่าในอดีตชาติเนี่ยที่เป็นธรรมในธรรมธรรมมนั้นมากมายมหาศาลถ้าเราไปเข้าจิตไม่ได้เราก็ไม่พิจารณาธรรมไทยธรรมไม่ได้โกชงเจ็ดก็ไม่แสดงตัวนะแต่ต้องอยู่ในกรอบที่เราควบคุมได้นั่นคือสติไง ไม่ใช่ฝึกสติต้องใช้สติควบคุมอารมณ์เวทนากับธรรมรมธรรมในธรรมแล้วมันจะเกิดปัญญาปัญญารู้แจ้งว่าอะไรก็ไม่ใช่มันก็จางคายความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็อยู่กับขันห้าแล้วว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านะครับว่าว่างว่างไม่ใช่ไปเจอสภาว่างๆนั้นมันหลอกเราว่าคุณไม่ต้องเดินทางต่อเธอปลอดภัยแล้วเธออยู่เช่นนี้แหละอันนั้นตายเปล่า ทำไมนะมันไม่ใช่ทางพ้นทุกนะส่วนเทคนิคในการฝึกสั ม, มะถะวิปัสสนามันมีมากมายชอบอะไรก็ทำไปเถอะนะแต่ต้องมีมารยาทสมมติว่าพวกครูไปเปิดศูนย์แห่งหนึ่งสอนเต้นอาหรับิกหรือเต้นอาหรับิก อยู่ๆคุณก็ไปเล่นโยคะอยู่ตรงนั้นน่ะมันมีมารยาทไหมเดี๋ยวมันจะขัดแย้งกันเพราะว่ามันใช้อุบายวิธีไม่เหมือนกันอยากรกะทำมันเป็นบาปด้วยแล้วตัวเองก็จะหลงนะเดี๋ยวโดนนะไม่ต้องทำอะไรน ะ, นะเราโดนจากความรู้ผิดความหลงเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะด้วยเราจะเดีย้งยังมีความอยากมากอยากจะแสดงอยากจะอวดอะไรๆเนี่ยนะเอออันนี้ก็ฝากบอก เรื่องจิตวิญญาณมันมีทั้งเราไปเข้าไปในจิตเข้าไปในวิปัสสนามันมีสองขั้วไม่ใช่ปลอดภัยแล้วนะในวิปัสสนานั้นเส้นทางนี้ก็มีวิปัสสณูกิเลสด้วยนั่นแหละว่างว่างสุขสุขนั่นแหละไปติดสุขละมันหลอกให้เราอย่าเดินทางต่อเธอสําเร็จแล้วเธอปลอดภัยแล้วเหมือนเอกตายนั่นแหละมันชะล่าใจกูชนะแน่ๆมึงเดินกี่ปีก็ไม่ถึงหรอกเห็นไหม เราต้องผสมระหว่างเตากับกระต่ายสมถาวิปัสนาไปด้วยกันพอเราเข้าไปในจิตแล้วจิตเดิมมันเคยฝึกสถมถะมาตั้งนานแล้วเนี่ยบางครั้งมันก็ให้จิตปัจจุบันเสพอาร ม, ามณ์สมถะเนไม่ต้องไปฝึกใหม่นี่คือมาหาสติปัฏฐานโอเคนะก็อีกนิดเดียวก็อีกนิดนึงอย่าเพิ่งขยับปีใหม่นะ วันที่31มีทางจังหวัดเขาโทรมาที่นี่สวดมนต์ข้ามปีไหมที่นี่เราสวดมนต์แต่ตรงข้ามปีคือปฏิบัติข้ามปีนะปุก็ปรึกษาพระครูอยู่ว่าเออระหว่างเราทำวัดเย็นะแล้วเนี่ยปฏิบัติช่วงหนึ่งแล้วช่วงที่เหลือนี่จะมีอะไรขั้นเดี๋ยวโวดเสียงกันก่อนแล้วคุยกันบอกว่าจะดูพระพุทธเจ้าไหมชักสองตอนแล้วก็กิจกรรมพระครูกบรรยายแล้วพอถึง ชั่วโมงสุดท้ายจากส1บเอโมงถึงเที่ยงนี่เราก็ปฏิบัตินะปฏบิบัติบูชาได้นิสงที่สุดโอเคไหมก็พอถึงเที่ยงคืนหนึ่งนาทีปุ๊บนะเราก็ฉลองปีใหม่กันโดยไปปล่อยโคมลอยกันที่พระใหญ่นะก็ทุกปีเราก็รักษาแบบนี้แล้วก็วันไหนวันไหนใส่บาท วันไหนใส่บาทมีไหมเออเดี๋ยวค่อยคุยกันเพราะกูยังไม่รู้รู้อเนี่ยนะหยุดดีกว่าถ้าไม่หยุดมันก็มันก็ไปเรื่อยๆอ่ะเนาะโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณภะ ษ, ษีรัตนาใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาลพร้อมทั้งบุญบา ร, รมีที่ได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติมาได้คุ้มครองทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขอายุมั่นขวัญยืนบรรลุมรรคผลนิพพานโดยไวยเทอเน